พูดถึงคุณของพระตถาคตที่มีอัตถาว่าพระองค์นี้เสด็จมาถึงสัจจะอันทองแท้ธรรมะที่ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้สัจจะที่ทองแท้ได้ก็เพราะอริยมรรคยานอริยมรรคยานนี่แหละเป็นเหตุให้พระองค์ได้แทงตลอดสัจจะที่ไม่ผิดไม่พลาดเป็นสัจจะที่จริงแท้ เมื่อตรัสรู้สัจจะเหล่านั้นแล้วก็สำเร็จถึงความเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าในหน้า228กล่าวถึงว่าหัวข้อก่อนนะพึงทราบภาวะที่ทองแท้ซึ่งพระยานอันปัจจัยอะไรอะไรไม่กระทบในการสามอันนี้เป็นหัวข้อของยานะนะปฏิสัมพิธายานสเวสารัชยานสี่ยานที่กำหนดคติห้า อาสาธารณายานหยานที่แจมแจ้งในโพชงเจยานอันแจมแจ้งในมรค8ยานในอนุปภาพวิหารสมาบัติ9และภระยาหรือทศภรยาสิ0ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เหมือนกับมกคยานฉะนั้นซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหัวข้อหัวข้อที่พระอัตถริทั้งหลายท่านมาตั้งเพื่อจะได้อธิบายไปโดยลาดับ ยาณแรกก่อนเนี่ยนะที่บอกว่าที่พูดถึงยานที่ปัจจัยอะไรไม่กระทบในการสามหมายถึงว่ายานอันนี้เนี่ยไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปิดกั้นเลยที่ปิดแล้วให้ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตและไม่รู้ปัจจุบันซึ่งหมายถึงว่าพระยานอันนี้รู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันโดยที่ไม่มีอะไรขวางกั้นแม้แต่นิดเดียว สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสภาวะกิจเป็นต้นความแปล ก, กันในการกําหนดเป็นต้นและนามโคตที่เนื่องกับขันเป็นต้นในขันอายตนะและธาตุอันเป็นอดีตต่างโดยประเภทมีทำเลวทำปานกลางทำประณีตเป็นต้นเนี่ยนะของสัตว์ทั้งหลายผู้หาประมาณไม่ได้ในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้ ยานเหล่านี้คือพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปัจจัยอะไรๆกระทบกระทั่งเป็นไปโดยประจักษ์ที่ทั้งปวงนะในที่ทั้งปวงในความพิเศษแห่งวันนะสันฐานกลิ่นรสและภาษาเป็นต้นของธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยกับความพิเศษแห่งปัจจัยนั้นในรูปธรรมที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์แม้ที่ละเอียดยิ่งที่อยู่นอกฝาและที่อยู่ในที่ไกล พระองค์ก็เห็นชัดเหมือนผลมะขามป้อมที่อยู่บนฝ่ามือฉะนั้นและพระยานที่เป็นไปในอนาคตและปัจจุบันก็ฉะนั้นเหมือนกันอันนี้ชื่อว่าพระยานที่ไม่มีอะไรไม่มีปัจจัยอะไรๆกระทบกระทั่งในการทั้งสาเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าท่านคือพระสารีบุตรนะ ย, ยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าในส่วนอดีตไม่มีปัจจัยอะไรอะไรกระทบกระทั่ง ยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าในส่วนอนาคตไม่มีปัจจัยอะไรอะไรกระทบกระทั่งยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าในส่วนปัจจุบันไม่มีปัจจัยอะไรอะไรกระทบกระทั่งนี่ก็พูดถึงยานสามอย่างนะอตีตังสายานอนาคตตังสายานและปัจจุปันนังสายานยานที่รู้อดีตยานที่รู้อนาคตยานที่รู้ปัจจุบันนี่นะเรียกว่ายานที่รู้ธรรมะในการสาม ในการอดีตหรืออตีตัางสยานก็กลุ่มเดียวกันกับปุเพนิวาสานุสติยานที่ระลึกชาติในอดีตระลึกทั้งชาติของพระองค์เองและชาติของผู้อื่นด้วยนะไม่ใช่ระลึกได้แต่ชาติของตัวเองแต่ระลึกชาติของสับพสัตอันหาที่สุดไม่ได้นนระลึกได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติยี่สิบสามสิบสี่สิชาติห้าสิบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติ ตลอดสังวัตกรรวิวัตกรรเป็นอันมากเนี่ยนะตลอดสังวัตกรรมวิวัตกรรเป็นอันมากหรือระลึกได้แม้เป็นอสงไขยอสงไขยเนี่ยนะเป็นในอสงไขยเรียกว่าสิ่งที่นับไม่ได้ถอยหลังไปหาที่สุดไม่ได้สิ่งนั้นทั้งปวงเนี่ยนะพระองค์รู้ทั้งหมดรู้ถึงว่าผู้ใดเมื่อพบใดๆเนี่ยเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นในลักษณะอย่างไรรูปร่างสันฐานเป็นอย่างไร ผิวพันธุ์นี่เป็นอย่างไรมีอายุเท่าไร่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรชีวิตนี้ได้รับความสุขความทุกข์แค่ไหนบริโภคอาหารเช่นไรเช่นใดเกิดในตระกูลอะไรเป็นต้นเนี่ยพระองค์รู้ได้ทั้งหมดรู้แม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดของเขาอ่ะเขาคิดอะไรในตอนนั้นนะแต่และความคิดของเขาเนี่ยเป็นความคิดที่เป็นกุศลอกุศลหรืออัพยากตะความคิดเหล่าใดเป็นกรรมเป็นวิบากและเป็นกิเลสเนี่ยนะ พระองค์ทวนได้หมดเลยว่าไอความที่พระองค์รู้อย่างนี้ตลอดสายเนี่ยพระองค์จึงรู้ว่าผู้ใดทํากรรมอะไรมาบ้างนะผู้ใดทํากรรมอะไรมาบ้างและกรรมเหล่านั้นที่ทาในอดีตนั้นอ่ะตามมาให้ผลอย่างไรให้ผลเมื่อไรให้ผลที่ไหนเนี่ยพระองค์รู้หมดเลยเพราะพระองค์ได้แทงตลอดสิ่งที่เป็นอดีตทั้งหมดโดยไม่มีอะไรมาปกปิดที่ใช้คาว่าพระองค์ละลึกได้อยู่หรือ ใ น, นพระ อ, องค์จะบอกว่าเราระลึกได้เสมอพระ อ, องค์ละลึกได้แม้กระทั่งพรมทั้งหลายเขาเอาประวัติของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็มีผู้ไปถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระ อ, องค์ละลึกได้อยู่หรือพระ อ, องค์ก็บอกว่าระลึกได้เนี่ยนะแม้กระทั่งตอนที่เป็นโควินทพราหมณ์เป็นต้นเนี่ยนะท่านในอดีตนี้พระ อ, องค์ระลึกได้ละลึกถึงเหตุการณ์ทั้งหมดของพระ อ, องค์เองและของผู้อื่นโดยไม่มีอะไรปิด ไม่มีอะไรกั้นแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะรู้หมดเลยของเราเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเวลานี้อยู่ที่ไหนเมื่อวานก่อนอวานก่อนสิบยี่สิบปีสาสิบปีห้าสิบปีที่แล้ววันวันเดียวเวลาเดียวกันนี้อยู่ที่ไหนทําอะไรเมื่อชาติที่แล้ววันเดียวกันเวลาเดียวกันนี้ทําอะไรเนี่ยนะสิบชาติยี่สิบชาติที่แล้วอ่ะชักนะแค่เมื่อสิบวันที่แล้วเนี่ยเวลาเดียวกันทําอะไรเนี่ยใช้เวลาคิดอยู่ตั้งนานใช่ไหมค่อยๆลาดับเหตุการณ์น้าดูกว่าจะนึกออก แต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนื่องด้วยอาวัชชนะแค่นึกปาปรู้เลยแล้วก็ไม่มีคำว่าพลาดด้วยที่ไม่พลาดอย่างนั้นเนี่ยเพราะพระยานของพระองค์นี้เต็มที่แล้วพระยานที่เต็มที่อันนี้ก็อาศัยการอบรมบา ร, ร, ร, รมีทั้ง1ิบี่นะบา ร, รมีทั้ง1ิบที่พระองค์บำเพ็ญตลอดสอสงไขยแสนกับเนี่ยทำให้พระยานเนี่ยคงที่คำว่าคงที่คือไม่มีคาว่าเลอะนะนะไม่มีคาว่าเลอะเลือนไม่มีคาว่าผิดพลาด ขณะเดียวกันพระองค์ก็แทงตลอดธรรมะที่เป็นอนาคตทั้งหมดโดยประการทั้งปวงนะธรรมะในอนาคตเนี่ยอย่างพระองค์เห็นหน้าใครเนี่ยพระองค์รู้หมดเลยว่าอนาคตต่อไปเขาจะเป็นอย่างไรอีกสิบยี่สิบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติหรืออีกแสนกลับหรืออีกกี่กับสี่อสงไข่แสนกับแปดอสงไข่แสนกลับหรือว่าสิบหอสงไข่แสนกลับเนี่ยพระองค์รู้หมดเลยหรือแม่รู้มากกว่านั้นด้วยเนี่ยนะรู้มากกว่านั้นอีก แต่ว่าโดยมากพระ อ, องค์ก็ไม่ได้เอามาแสดงเพราะถ้าแสดงแล้วผู้ฟังเนี่ยนะมันคงรับไม่ได้นะคงคงรับความรู้ความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่ได้พราะในส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อเวเนยศัสตร์ทั้งหลายพระ อ, องค์ก็เอาเฉพาะส่วนนั้นน่ะมาแสดงให้แก่สรรพศัสตร์ทั้งหลายฟังเหมือนอย่างว่าผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลําดับเป็นคนที่มีความจําดี และเลึกเหตุการณ์ในอดีตได้ทั้งหมดแล้วก็พยากรณ์ด้วยต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้น น, นะความที่มีความรู้ความสามารถมากมีหลานอายุสักสองขวบมาเนี่ยนะผู้ใหญ่คนนั้นจะเล่าให้เด็กฟังหมดเลยใช่ไหมในอดีตเมื่อยี่สบสาสปีสี่สิปีปุนปูน่คุณยายไปเรียนอะไรใครเป็นใครรู้จักคนทั่วโลกแล้วเล่าให้เด็กสองขวบฟังหมดเลยไหม ไม่เหตุการณ์ต่อไปในอนาคตเป็นต้นบ้านเมืองจะเป็นยังไงเศรษฐกิจยังไงแนวโน้มของระดับโลกระดับชาติต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยเอามาเล่าให้หลานสองขวบฟังหมดไหมไม่ทําไมอ่ะมันเกินวิสัยของเด็กๆ เ, เกินไปนีนะมันเกินวิสัยที่เด็กๆจะรู้ได้แล้วก็ที่แน่ๆเด็กก็ไม่ฟังด้วยนะ mm hmm. พระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน mm hmm. เหตุการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเหตุการณ์เหล่านั้นทั้งมวลพระองค์รู้หมด พระองค์จะตรัสให้ฟังหรือไม่ก็สมควรแก่เหตุและปัจจัยหมายคำว่าสิ่งนั้นถ้าจากมีประโยชน์เนี่ยนะเขาจะได้รับประโยชน์เป็นประโยชน์แก่โลกนี้เป็นประโยชน์แก่ลกโกลกหน้าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นต้นพระองค์ก็เอามาเล่าให้ฟังแต่เป็นประโยชน์เอาไว้ไปโม้เฉยๆนี่พระองค์ไม่เล่าแน่นะนะก็เพราะไม่ได้เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าจะแสดงเฉพาะสิ่งที่เป็นเบื้องต้นกับพรหมจรรย์ สิ่งใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อปรินิพานพระองค์จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาแสดงพันสิ่งใดที่พระองค์รู้พระองค์ไม่ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดเพราะมันเกินวิสัยของสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะในะในเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในนรกในเปรตอสุรกายในมสสัตว์เดรชาน อ่ะนะในจักรวาลอันหาที่สุดไม่ได้ในมนุษย์เทวดาในพรหมโลกอ่ะนะในอนันต์จักรวาลสิ่งเหล่านั้นปรากฏชัดในพระปัญญาของพระองค์ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงว่าผู้ใดกำลังมีมีพฤติกรรมอะไรกําลังทําอะไรทําที่ไหนทําทําไมเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์รู้ทั้งหมดรู้แม้กระทั่งสภาพจิตของเขาแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละจิตแต่ละขณะนั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง พระองค์ยังเอาสิ่งเหล่านี้มาจำแนกโดยนิยต่างๆพระองค์ก็รู้ทั้งหมดรู้โดยสิ้นเชิง น, นะบางส่วนก็เอามาแสดงบางส่วนก็ไม่เอามาแสดงสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าเอามาแสดงสิ่งนั้นขอให้รู้เถอะว่านั่นเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติประเสริฐเป็นเบื้องต้นที่จะทําให้ตรัสรู้มรรคผล น, ผนิพพาน อันนี้พูดถึงพระยานของพระองค์ที่รู้อดีตโดยไม่ติดขัดรู้อนาคตโดยไม่มีอะไรขวางรู้ปัจจุบันอย่างละเอียดถี่ถ้ถวนเหมือนมะขามป้อมอยู่บนฝ่ามื อ, อนะเหมือนมะขามป้อมบนฝ่ามือเหมือนอะไรมาเคยเห็นมะขามป้อมไห้ยมคล้ายๆกับเม็ดตะแมวอย่างนั้นแหละไอ้ลูกกลมๆเล็กๆ ก, ก, กันนะพวกเม็ดหินเม็ดกรวดใสๆนีย่ยน่ยพระองค์นี่รู้หมดเลยรู้เห็นอย่างนั้นนั่นแหละ <c oughs> อันนี้ก็ความรู้ความสามารถอันนี้ก็อาศัยผลแห่งบุญเนี่นะมันผู้ใดปรารถนาสติปัญญาปรารถนายามที่ไม่ติดขัดก็นะอาศัยอบรมบุญอบรมปัญญาเป็นต้นเนี่ยปัปัญญาก็เป็นอุปนิสัยเป็นเชื้อเป็นอุปนิสัยให้ปัญญาที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนี่ข้อแรกอ่ะยานยานที่หนึ่งก็มัคคยาณนะยานที่สองก็คือยานที่ไม่มีอะไรปิดกั้นใน การสมมาดูยานที่3คือปฏิสัมพิทาสปฏิสัมพิทาทั้ง4เนี่ยนะหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาสองธรรมะปฏิสัมพิทาสนิรุตติปฏิสัมพิทาเข้าไปสามนิรุตติปฏิสัมพิทาสปฏิภาณปฏิสัมพิทาเรียกว่าปฏิสัมพิทาสปฏิสัมพิทา4ี่นั้นก็คือยานอันถึงความแตกฉานในอัฏฐ สามารถกระทำความแจมแจ้งและกระทและการกำหนดพร้อมลักษณะแห่งประเภทของอัฏฐะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาญาณอันถึงความแตกฉานในธรรมสามารถทำความแจมแจ้งและการกำหนดพร้อมลักษณะประเภทของธรรมะชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทา ยานอันถึงความแตกฉานในการแสดงภาษาสามารถทําความแจ่มแจ้งและการกําหนดพร้อมลักษณะแห่งประเภทของภาษาชื่อว่านิรุติปฏิสัมพิทายานอันถึงความแตกฉานในปฏพิพานสามารถทําความแจ่มแจ้งและการกําหนดพร้อมลักษณะประเภทของปฏิาพานเชื่อว่าปฏิพานนปฏิสัมพิทานะสมจริงดังพระดารัสที่พระองค์ตรัสไว้ในคำภีวิพังว่ายานในอัตชื่อว่าอัตตปฏิสัมพิทา ยานในธรรมชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทายานในภาษาของอัตและธรรมชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทายา น, นะในยานทั้งหลายคือยานที่รู้อัถ ธ, ธรรมนิรุตติยานอ น, นั้นชื่อว่าปฏิภาณะปฏิสัมพิทาอันนั้นก็อัตคือผลธรรมคือเหตุนิรุตก็คือภาษาปฏิภาณหมายถึงความรู้ในความรู้อีกครั้ง ความรู้ในยานเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าปฏิพันธ์อธิบายก่อนอธิบายโดยย่อคําว่าอัตตอัตตะคืออะไรอัตตคือผลอันผลิตมาจากเหตุผลทุกชนิดนะคำว่าผลไม่ได้หมายถึงผ ล, ลไม้แต่หมายถึงว่าอะไรก็ได้ที่มันถูกปรุงสําเร็จแล้วนะสิ่งที่ถูกปรุงสําเร็จแล้วอ่ะอันนั้นเรียกว่าผลอะไรก็ได้ที่มันไหลมาจากเหตุนะสิ่งที่ไหลมาจากเหตุสิ่งนั้นเรียกว่าผล เพราะฉะนั้นผลที่เผลิตมาจากเหตุอันนั้นเรียกว่าอัตถะเพราะอะไรเพราะอันบุคคลพึงดําเนินตายและพึงบรรลุตามกระแสะแห่งเหตุถือถ้าไม่มีเหตุเนี่ยผลเหล่านี้เกิดไม่ได้นะนะจำแนกเป็นประเภทได้ไหมบอกได้สิ่งที่เกิดจากเหตุเนี่ยนะจำแนกเป็นประเภทได้ก็คือมีอยู่ห้าอย่างพูดถึงใครที่เรียนประธานมาก็บอกว่าปัจโยบันธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ปัจยุบบนนธรรมก็คือผลอะไรก็ตามที่เรียกว่าเป็นผลเนี่ยนะเป็นผลของปัจจัย24ก็ได้เป็นผลของปฏิจจสมุปบาทก็ได้ไอ้ผลอ น, นั้นแหละเรียกว่าปัจยุบบก็คือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเรียบร้อยแล้วอนนั้นเรียกว่าปัจจยุบบนนิดหนึ่งนะอย่างที่สองนิพานนิพานก็อยู่ในกลุ่มผลนะสอัฏแห่งภาสิทธ์คือเนื้อหาอนะความหมายของคาพูด ความหมายของคำพูดนี้ก็ชื่อว่าอัตถะวิบากจิตนะวิบากทั้งหลายนะวิบากทั้งที่ปฏิสนธิจิตพวังขจิตจุติจิตหรือว่าจักุวิญญาณเป็นต้นที่เป็นชาติวิบากจิตเหล่านี้ก็เป็นวิบากและกิริยาจิตทั้งหลายมหากิริยาเป็นต้นรูปาวจรกิริยาอรูปาวจรกิริยาสิ่งเหล่านี้ก็ชื่อว่าอัตถ มีหอย่างนะหนึ่งปัจจุบันสองนิพานสาอัฏฐแห่งพาสิทธสี่วิบากหากิริยา 5. ประการนี้เรียกว่าอัฏถอัฐอัธธในที่นี้ไม่ได้แปลว่าประโยชน์นะโดยศัพท์นี้อัฏฐ แ, แปลได้หลายอย่างนะอัฏฐแปลว่าประโยชน์ก็ได้แต่ในที่นี้หมายถึงผลหมายถึงกลุ่มกลุ่มผลทั้งหลายเรียกว่าอัฏ ยานอันถึงความแตกฉานในอัฏฐนั้นของผู้พิจารณาในอัฏฐนั้นชื่อว่าอัถฐปฏิสัมพิทาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพิจารณาปัจยุปบรรธรรมมีความสามารถในการพิจารณาพระนิพพานมีความสามารถในการพิจารณาเนื้อหาแห่งคำพูดหรือพิจารณาวิบากพิจารณากิริยาความรู้หรือญาณนะที่พิจารณาอย่างนี้แหละเรียกว่า อธาปฏิสัมพิทาสามารถจำแนกแจกแจงแยกแยะในรายละเอียดของสิ่งเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วนทีนี้มาดูธรรมะบ้างนะธรรมะธรรมะนี้โดยย่อเลยสังเขปปัจจัยชื่อว่าธรรมะก็คือปัจจัย24นะหรือปฏิจจสมุปบาทพวกนี้ก็ชื่อว่าธรรมะก็คือตัวปัจจัยนั่นเองอนนะ ปัจจัยหรือที่เรียกว่าเหตุก็ได้นะเหตุปัจจัยสมุทัยนิทานไอ้พวกนี้หมายถึงกลุ่มเหตุปัจจัยนั้นท่านเรียกว่าธรรมะเพราะจัดแจงคือให้อัตถะ น, นั้นเป็นไปและให้บรรลุหมายคือว่าถ้าไม่มีเหตุแล้วเนี่ยผลจะเกิดขึ้นได้ไหมตัวเหตุนั่นแหละเรียกว่าธรรมะแต่เมื่อว่าโดยประเภทประเภทเพทะนี่แปลว่าการแบ่งแบ่งแบ่ ง, บ, งบ่งเนี่ยนะถ้าแบ่งแล้วเนี่ย ธรรมะมีอยู่5ประการคือ1เหตุตัวเหตุที่เป็นความสามารถที่ทําให้ผลเกิดขึ้นได้เหตุที่สามารถทําให้ผลเกิดขึ้นได้นั่นแหละเรียกว่าธรรมะสองอริยมรรคสามคาสิทธสี่กุศลหอกุศลทั้งหประการนี้เรียกว่าธรรมะเหตุก็คือถ้าจับคู่กันนะเหตุเป็นตัวที่ทําให้ผลเกิด ความรู้ในเหตุชื in the in the unseen, the myth, unseen, ่อว the the ่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในผลชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในอริยมรรคหรือยานในอริยมรรคเป็นธรรมะปฏิสัมพิทายานที่รู้ในพระนิพพานเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทายานที่รู้คําภาสิตรู้คําพูดคำเนี่ยเป็นยังไงแต่ละคําแต่ละคําองค์ประกอบของคําเป็นอย่างไรทั้งหมดการรู้สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมปฏิสัมพิทา ถ้ารู้ว่าคําทุกคำถ้ามาเรียงกันแล้วมีเนื้อหาเป็นอย่างไรการรู้เนื้อหาสาระทั้งหมดของถ้อยคําที่มาเรียงกันในนี้เป็นอัฏฐปฏิสัมพิทารู้กุศลรู้อกุศลรู้กุศลอกุศลก็เป็นกรรมใช่ไหมคือกลุ่มเหตุรู้เหตุอันนี้ก็เป็นธรรมปฏิสัมพิทาถ้ารู้ผลของกุศลรู้ผลของอกุศลอัฏฐปฏิสัมพิธาอัฏฐปฏิสัมพิธา กิริยาทั <c oughs> ้งหลายมหากิริยานี้ท่านถือว่าเป็นผลของอรหัตตมัคกุศลกิริยาจิตเนี mm. <Frog> ่ยนะมหากิร <mul> ิยารูปาวจรกิริยาอรูปาวจรกิริยากิริยาจิตของผ้าอรหันทั้งหลายเป็นผลของกุศลคือเป็นผลของอรหัตตมัคถ้าอรหัตตมัคไม่เกิดจิตชาติกิริยาทั้งหลายเกิดไม่ได้พันกิริยาทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผลของกุศลผลของกุศล สมจรจงดังพาะุดำรับที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในคำภีวิพังเล่มไหนเนาะนะอยู่ในตู้นี่แหละนะอยู่เล่มเจ็ดสิบแปดวิพังนี่อยู่เล่มเจ็ดสิบแปดเนี่ยนะเล่มเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยมีอะไรขันอายตนะธาตุสัจจะอินทรีและปัจจัยาการวิพังส่วนเล่มเจ็ดสิบแปดก็มีสติประฐานเป็นต้นและอันหนึ่งในนั้นก็คือ ปฏิสัมพิทาวิพังวิพังทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด18วิพังขันธวิพังโคทาตุวิพังโคเป็นต้นเนี่ยนะแสดงสรุปว่ายานยานอันนี้เอาอริยสัจมาจับนะว่าความอริยสัจมีสประการใช่ไหมทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขานิโรธอริยสัจและทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเอาความรู้ว่าถ้ารู้อะไรเป็นปฏิสัมพิธาอะไรบอกว่า ญานะคือความรู้ในทุกขอริยาสัจชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาญานะคือความรู้ในทุกขสมุทัยสัจจะเป็นธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขนิโรธคือความรู้ในพระนิพพานเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาญาณะคือความรู้ในทุกขนิโรธ ค, ค า, าเนาคคานนคาินีปฏิปทาชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาสัจจะสี่เนี่ยนะแบ่งเป็นเหตุสองผลสอง ทุกเป็นเหตุทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุในเหตุกับผลเนี่ยบางทีต้องฟังให้มันดีๆนะอย่างสมมุติว่าทุกเป็นผลของสมุ ท, ทยัยอันนี้ผลตรงตัวแต่นิพานไม่ได้เป็นผลของมรรคแบบแบบแบบผลแบบที่รู้รู้กันน่ยนะแต่มรรคนี่เป็นเหตุให้บรรลุถึงพระนิพานแต่ว่าอริยมรรคไม่ใช่ตัวสร้างนิพานขึ้น แต่อริยมรรตเป็นข้อปฏิบัติเครื่องดําเนินให้ถึงพระนิพพานใ้คําว่าเหตุผลนี่บางทีต้องทําความเข้าใจให้ดีๆเนี่ยนะสรุปว่ายานในทุกขสัจยานในนิโรธสัจจะความรู้ในทุกขสัจความรู้ในพระนิพพานเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในใ น, ในสมุทยัยสัจจะในมรรคสัจจะเป็นธรรมปฏิสัมพิทานะ หลายคนก็บอกว่าโอ้ถ้าเรียนธรรมะนะเขาต้องได้ปฏิสัมพิทานะถ้าจะบรรลุธรรมะเนี่ยเขาไม่ขอบรรลุง่ายๆหรอกต้องบรรลุแบบได้ต้องได้ปฏิสัมพิธาด้วยเอามาจําแนกเอามาแสดงเอามาเปิดเผยอริยศาสตร์เป็นต้นไม่มีจบมีสิ้นนะนะปรารถนาความรู้ระดับนั้นแหละอีกอย่างหนึ่งญานในเหตุชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิธายานในผลอันเผลิตมาจากเหตุชื่อว่า อัตตปฏิสัมพิทาเนี่ยนะนะท่านตัวเหตุนั่นแหละเป็นธรรมะตัวผลนั่นแหละเป็นอัตต ะ, ะย้อนมาที่อริยสัจนิดหนึ่งนะญาณในทุกชื่อว่าอัตตะใช่ไหมญาณในสมุทัยเป็นธรรมะญาณในนิโรธเป็นอัตตะญาณในมรรคเป็นธรรมะถ้าสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาสแสดงได้มาบอกมาบัญญัติพูดเหตุพูดผลจนเข้าใจได้อย่างปุปโปรง่งอันนั้นเป็น นิโรติปฏิสัมพิทาก็าคือเอาอริยสัจมาแสดงได้เอาเอาทั้งทุกข์ทั้งสมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคเอามาแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยทําให้ง่ายเอามาแสดงอย่างนี้เรียกว่าเป็นนิโรติปฏิสัมพิทาแล้วความรู้อันนี้รู้แบบไม่สับสนเลยไม่มีคําว่าสับสนชํานานในความรู้ทั้งอัตรู้ทั้งธรรมรู้ทั้งนิรุตเนี่ยนะโดยที่ไม่มีความสับสนสามารถเอามาจําแนกได้อย่า ง, งคล่องแคล่วอันนั้นเป็น ปฏิพาณนะปฏิสัมพิทาแต่ตัวที่พูดจริงๆไม่ใช่ปฏิพาณตัวที่พูดนี้เป็นนิรุตนะตัวปฏิพาณนี้ช่วยทําให้นิรุตเนี่ยอะไรนะบางคนนี่ฉลาดมากแต่พูดไม่เป็นไอคนที่พูดเป็นก็ไม่ค่อยฉลาดอย่างเงี้ยมันก็บางคนนี่มันเป็นอย่างนั้นนะไอนิรุตนี่มันพูดเป็นแต่มันไม่ฉลาดเท่าปฏิพาณปฏิพาณนี่รู้ไปหมดแต่ว่าพูดไม่ได้นันก็ต้องเรียกว่าทํางานถูกต้องอนะนะอั้นความรู้ทั้งสี่ประเภทเนี่ยจึงสัมพันธ์กัน อะ น, นะรู้เหตุรู้ผลแล้วเอาเหตุผลมาแสดงบางคนเนี่ยเหตุผลเอามาแสดงได้แต่ใครถามมากก็ชักยุ่งละเริ่มง ง, งไปหมดละพวกนี้ไม่มีคำว่างงเป็นต้นเนี่ยนะเข้าใจได้อย่างทะลุปปโปรง่งไม่มีอะไรติดขัดอันนั่นแหละเรียกว่ามีปฏิสัมพิธาเขามีอยู่สูตรหนึ่งอ่นนะนีก็บอกว่า ให้คนเนี่ยสี่คนมาถามกายานุปัสนาคนหนึ่งถามกายานุปัสนาคนหนึ่งถามเมธา น, านุปัสนาคนหนึ่งถามจิตตานุปัสนาคนหนึ่งถามธรรมานุปัสนาพร้อมกันเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สับสนให้ถามพร้อมกันเลยเขาบอกว่านั่นน้อยไปเอาใครเนี่ยเอามาเลยสามสิบเจ็คนถามโพธิปักจะธรรมคนละคนแล้วถามพร้อมกันเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สับสนตอบได้อย่างชั่นนีชั่นาญอันนั้นคือผู้ที่มีปฏิสัมพิทาสูงสุด ระดับพระพุทธเจ้าจะเป็นแบบนั้นไม่มีคําว่าสับสนไม่มีคําว่างงเป็นต้นเลยนะหรือบางทีแล้วผิดหัวผิดท้า ย, อ, ยอะไรหนึ่งสองสามสลับกันยุ่งไปหมดเลยอย่างเงี้ยไม่มีนะต่อไปว่าธรรมะเหล่าใดบังเกิดแล้วเป็นแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วยานในธรรมะเหล่านั้นชื่อว่าอัตตปฏิสัมพิทา ผู้ที่เรียนสายบาลีมาแล้วเนี่ยพอฟังคําว่าเกิดแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วมีแล้วเนี่ยคนนี้เขาเข้าใจเลยนะส่วนธรรมะเหล่านั้นเกิดแล้วเป็นแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วจากธรรมะใดยานในธรรมะนั้นชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาก็อย่าไปคิดอะไรมากโลกนี้มีอยู่2อย่างคือเหตุกับผลโลกนี้ทั้งหมดนะมีแต่เหตุกับผลเหตุกับผลเหตุกับผลที่เรากําลังนั่งอยู่นี้เป็นเหตุหรือเป็นผล เป็นเหตุด้วยเป็นผลด้วยที่เรานั่งอยู่นี่เป็นเหตุด้วยเป็นผลด้วยเหตุของอะไรถ้าสาวไปหาอดีตสิ่งที่กําลังเป็นอยู่นี่คือผลถ้าสาวไปหาอนาคตตอนนี้กําลังเป็นเหตุนะนะบางทีในสิ่งเดียวกันบางอย่างเป็นเหตุบางอย่างเป็นผลในในขณะพร้อมกันเลยนะอย่างเช่นจิตเป็นเหตุคําพูดที่เปล่งออกมาเป็นผลบางทีจิตเจตสิกในนั้นก็เป็นเหตุและเป็นผลก็แล้วแต่มาจัดกลุ่มว่าเหตุผลนี่จะเอาระดับไหนเป็น เป็นเครื่องพุยกันแต่ว่าโลกนี้สรุปแล้วว่ามีต่เหตุกับผลเหตุเดียวก็ไม่ได้เกิดจากผลเดียวมีไหมเหตุเดียวผลเดียวมไม่มีนะมีแต่หนึ่งบวกหนึ่งอันนี้อันนี้บัญญัติเฉยๆหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีเหตุเดียวไม่มีผลเดียวแล้วก็เหตุเดียวก็ทําให้ผลหลายอย่างเกิดไม่ได้ผลหลายอย่างก็ไม่ได้เกิดมาจากเหตุเดียวแล้วก็ เหตุหลายอย่างทําให้เกิดผลเดียวอย่างเดียวก็ไม่ได้เหตุหลายอย่างมากเลยมีผลแค่อันเดียวไม่มีสรุปว่าในโลกนี้มีแต่เหตุหลายอย่างผลหลายอย่างเดี๋ยนะเหตุหลายอย่างผลหลายอย่างอ่ะแล้วทําไมมาแสดงเหตุหนึ่งผลหนึ่งละ่ะเช่นมาแสดงว่าทุกทุกสมุทัยเนี่ยทุกเป็นเหตุสมุทเออทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุทําไมมาแสดงอย่างนี้เขาบอกว่าเอาเฉพาะประเด็นสําคัญสําคัญในเรื่องนั้นนั้น น, น, นะ คุณเดินทางมาได้ด้วยอะไรเพราะอะไรจรึงพาดเดินทางมาได้พราะรถรถนี้เอาส่วนไหนพามาพราะล้อใช่ไหมอ่าแล้วเบรกด้วยใช่หรือเปล่าอ่ะแล้ ว, ลวตกลงมาพ่ออะไรกันแน่นั่นนะก็ปัจจัยมันเยอะอนะแล้วทำไมบางอย่างตอบแค่เหตุเดียวอะ่ะถ้าคุณขาพิการคุณจะเดินได้เหรอเอาบอกว่ามาด้วยรถนี่นันนะ่คุณไม่ต้องทานอะไรเลยเหรอเป็นต้นเนี่ยนะแล้วทําไมพูดเหตุเดียวผลเดียว ก็เพาะบางประเด็นเนี่ยนะที่มันสําคัญเฉพาะเรื่องอ น, นะเรียกว่าเอาเฉพาะสาระเฉพาะเรื่องที่สําคัญสําคัญก็พอก็ถ้าเรื่องเดียวถ้าอธิบายเกินไปนี่มันก็เวียนหัวเหมือนกัน น, นะแจงละเอียดเหมือนกันเนี่ยนะก็บางคนเนะี่ยอธิบายมากก็น่ารําคาญบางคนย่อเกินไปก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรมันเอาให้มันพอดีแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็ใช้ได้ละปันสรุปสรุปเอาใหม่ที่ว่าเมื่อกี้คืออะไรโลกนี้เนี่ย มีต่เหตุกับผลสิ่งเดียวกันเนี่ยนะเป็นเหตุด้วยเป็นผลด้วยอย่างเอาแบบอะไรนะคนหนึ่งเป็นพ่อขณะเดียวกันคนที่เป็นพ่อนี่เคยเป็นลูกไหมอ๋อนะอย่างเช่นตอนเป็นลูกก็เป็นผลใช่ไหมตอนเป็นพ่อก็เรียกว่ากลุ่มเหตุมันก็สิ่งเดียวเนี่ยพร้อมเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันอยู่นี่แหละนี่มัเอาอริยศาสตร์การแสดงอริยศาสตร์นั้น โดยมากหมู่สัตว์ทั้งหลายจะคุ้นเคยทุกสมุทัยนิโรธมักแต่นี้ในวิพังเป็นต้นพระองค์ก็แสดงว่ า, านะทุกขสัตว์เนี่ยนะจำแนกเป็นธรรมะ201ข้อก็ได้ใช่หมส้ยข้อตรงนี้ยกมา12คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปปณธรรมปฏิจจสมุปปณธรรมมีามรายชัดหนึ่งชารามรณะสองชาติสภพสี่อุปาทานห้า ตันหาหกเวทนาเจ็ดภัสสะแปดสลายตนะเก้านามรูปสิบวิญญาณสิบเอ็ดสังขารสิบสองอวิชชามาว่าข้อหนึ่งก่อนนะชรามรณะความรู้ในชรามรณะเป็นอะไรปฏิสัมพิทาเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทา ความรู้ในชรามรณะสมุทัยคือชาติเนี่ยเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในชรามรณะนิโรธเป็นอัถฐะปฏิสัมพิทาความรู้ในชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาเนี่ยนะปัญชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทา ชาติชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธาคา ม, มินีปฏิปทาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าความรู้ในสิ่งเหล่านี้ถ้ามาแบ่งตามอริยสัจนี่ก็คงพอจับสาระได้นะยกตัวอย่างว่าความรู้ในสังขารเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในสังขารสมุทัยคือวิชาเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในสังขานิโรธความดับสังขารเป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับสังขารชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาพระไตรปิฎกนี้เป็นความรู้พระไตรปิฎกเป็นอะไรปฏิสัมพิทาถ้าความรู้ในพุทธพจน์เนี่ยนะรู้ธรรมคือสุตตะเคยะเป็นต้นเนี่ยนะรู้รู้ว่าเออเนี่ยนี่พระไตรปิฎกคํำสอนพระพุทธเจ้านับหนึ่งนับสองนับสนับ5นับ9เป็นต้นเนี่ยจำแนกเป็นเล่มๆได้อย่างนี้เนี่ยมีองค์ประกอบเท่านี้ แต่ละเล่มมีเนื้อหาเช่นนี้เอ่อแต่ละเล่มเนี่ยมีพยัญชนะเท่านี้เท่านี้เป็นต้นความรู้อันนี้เป็นเป็นธรรมปฏิสัมพิทานะแล้วสามถ้ารู้พุทธพจน์แต่ละพุทธพจน์แต่ละบทแต่ละบทมีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรจำแนกแจกแจงอัฏฐะของพุทธพจน์ได้ทั้งหมดอัฏฐะแต่ละคําแต่ละคําเป็นอย่างไรความรู้อันนี้เป็นอัฏฐปฏิสัมพิธาทีนี้เอากุศลอกุศลมาบ้างว่าธรรมะ ที่เป็นกุศลเป็นไงกุศลเนี่ยนะกา ม, มาวาจรังกุสลังจิตตังอุปนังโหตินี่ยนะกุศลจิตฝ่ายกา ม, มาวาจรเกิดพร้อมด้วยโสมนัตประกอบด้วยปัญญารูปารมณังวามีสีเป็นอารมณ์สัทธารมณังวามีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโพธพภะมีธรรมะเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นผัสโโหติเวทนาโหติสัญญาโหตินะพัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกขัตาชีวิตินรีมนัสิกานฺะ เป็นตนน้นนะนะที่เกิดขึ้นตลอดจนถึงอวิเเคโปโหติคือความไม่ฟุ้งซ่านได้เกิดขึ้นในธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะการที่เอากุศลจิตมาตั้งตั้งได้เลยว่ากุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยอาศัยวัตถุอะไรมีอารมณ์อะไรแล้วในขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่แต่ละอย่างนี้แบ่งเป็นขันอาญตนะธาตุอย่างไรจำแนกอย่างละเอียดได้อันนี้เป็นธรรมะปฏิสัมพิทากุศลเหล่านี้ที่เกิดขึ้น ให้วิบากอย่างไรเช่นว่าวิบากที่เกิดขึ้นเพราะเจตนาดวงที่หนึ่งในกุศลวิบากที่เกิดขึ้นเพราะดวงที่เจ็ดวิบากที่เกิดขึ้นเพราะดวงที่สองถึงดวงที่หกวิบากที่เกิดขึ้นเป็นผลเพราะมานำเกิดมาอุปธรรมเป็นต้นการจำแนกผลทั้งหลายที่มาจากเหตุได้อันนั้นเป็นอัธปติสามภิทาคือรู้วิบากรู้วิบากอย่างเช่นจักขูวิญญาณที่เห็นสีที่น่าปรารถนาก็เป็นผลของบุญ โสตวิญญาณที่ฟังเสียงที่น่าปราถนาก็เป็นผลของบุญความรู้ในวิญญาณทั้งหลายที่เป็นวิบากเหล่านี้เป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาและตอนที่กุศลจิตเกิดเหล่านี้เป็นเหตุใช่ไหม น, นะก็สามารถจําแนกเหตุเหล่านี้ว่าจะมีผลต่อไปอย่างไร น, นะตัวเหตุเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดผลได้อย่างไรความรู้อันนั้นเป็นธรรมะปฏิสัมพิธาส่วนนิรุตติก็คืออะไร ก็คือการเอามาพูดเอามาแสดงเอามาบัญญัติเอามากล่าวตามหลักภาษาเป็นต้นได้อย่างถูกต้องอันนั้นเป็นนิรุติปฏิสามพิทาเนี่ยนะจะพระคนที่ไม่ค่อยมีไม่มีนิรุติเนี่ยนะพูดแล้วมันสับสนไปหมดเลยนะพูดแล้วคนพูดบางทีงงเองเลยนะเพราะว่าใช้คําไปใช้มาเอ้พูดแล้วสับสนไม่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนั่นคนที่รู้นิรุติก็คือสามารถเอาเหตุเอาผลมาจําแนกมาแสดงได้อย่างไม่สับสน ส่วนปฏิภาณปฏิสัมพิทาล่ะก็ญาณในญาณความรู้ในความรู้อ่ะนีนะความรู้ในความรู้สามอย่างข้างต้นชื่อว่าปฏิสัมพิทาอ่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิทาคือสรุปว่าปฏิสัมพิทาเนี่ยเป็นชื่อของอะไรกันแน่เป็นชื่อของญาณนะเป็นชื่อของปัญญานะปฏิสัมพิทาเนี่ยเป็นชื่อของปัญญา ปัญญาเขานับหนึ่งก็ได้ปัญญานี่นับสองก็ได้ปัญญานับสามนับสี่ก็ได้ถ้าปัญญานับสี่ก็ปฏิสัมพิทาสี่เป็นต้น น, นะปฏิสัมพิทาสี่เหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุด้วยพระองค์เองพระพุทธเจ้าเนี่ยวิจัยอริยสัจจนได้ปฏิสัมพิทานะความรู้อันนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่ถ่องแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่น เพราะเป็นไปโดยอาการไม่ผิดแผกโดยกล่าวไม่ให้คลาดเคลื่อนในอารมณ์ของตนของตนอันยิ่งด้วยอัตถะและธรรมะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าตถาคตเพราะมาถึงสัจจะคือแทงตลอดป ฏ, ป, ฏปฏิสัมพิทาอันนี้อย่างไม่ผิดพลาดปฏิสัมพิทา4ประการเนี่ยนะเธอว่าเป็นสำคัญมากต่อการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ที่กล่าวธรรมะเนี่ยนะที่ไม่มีปฏิสัมพิทาเนี่ย คำพูดของเขาจะไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดไม่รู้พูดให้เป็นอะไรนะพูดไปแล้วก็โบราณเขาว่าไงนะน้ำท่วมทุ่งไงผักบุงร้องแรงไงละ่ะแล้วน้ำต้มผักบุ้งหรือว่าอะไรแต่ว่าพระพุทธพจน์ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นคำสอนที่ไม่มีคำว่าสับสนเป็นคำสอนที่มีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด คำสอนที่มีปฏิสัมพิทาเป็นเหตุใกล้ให้แสดงออกมาเนี่ยผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามนั้นก็ได้ผลจริงเพราะเป็นคำพูดที่ไม่ได้เกิดจากความสับสนคือตัวผู้พูดนี่ไม่สับสนและความสามารถในการเอามาแสดงก็แสดงได้อย่างเหมาะเจาะหมดจดเนี่ยนะเพราะความจริงได้รับการเปิดเผยอย่างถูกต้องผู้ที่ฟังนั้นจึงไม่สับสนตามไปด้วยเพราะทัก เสียดายนะถ้าเกิดทันได้ฟังแล้วก็จะขนาดไหนเอาไปอ่านก่อนก็นแล้วกันนี่มาดูยานะต่อไปนะยานะต่อไปคืออะไรเวสารชยานสี่ในย่อหน้าเนี่ยพูดถึงเวสารชยานสี่เวสารชยานสี่นี่มีอะไรบ้างหัวข้อก่อนนะเอาหัวข้อก่อนหนึ่ง สัมมาสัมพุทธปฏิญญานะสัมมาสัมพุทธปฏิญญา2ขีณาสวัปฏิญญา3ามสา ม, สามอะไรนะนิยานิกธรร ม, มเทศนาแล้วก็สอันตรายุกธรร ม, มเทศนานนะข้อแรกก่อนนะสัมมาสัมพุทธปฏิญญา ปติญาในความเป็นผู้รู้ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงว่าธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งเชื่อว่ายายะยะยะแปลว่าสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดสิ่งที่ควรรู้นะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้แล้วทรงเห็นแล้วทรงบรรลุแล้วทรงตรัสรู้เอ่อทรงตรัสรู้เฉพาะแล้วโดยอาการทั้งปวงท่านสัมมาสัมพุทธะคืออะไรคือทำที่ควรรู้ยิ่งทำที่ควรกําหนดรู้ทำที่ควรละทำที่ควรทําให้แจ้งและ ทำที่ควรเจริญทำที่ควรรู้ยิ่งพระองค์ตรัสรู้แล้วโดยความเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรกำหนดรู้พระองค์ก็ตรัสารู้แล้วโดยเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ธรรมที่ควรละพระองค์ตรัสรู้แล้วโดยเป็นธรรมที่ควรละธรรมที่ควรทำให้แจ้งพระองค์ตรัสรู้แล้วโดยเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งธรรมที่ควรเจริญพระองค์ตรัสรู้แล้วโดยเป็นธรรมที่ควรเจริญ เพราะผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นสมณะก็ตามพรามเทวดามารพรหมไม่สามารถที่จะคัดค้านพระองค์โดยชอบว่าพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมชช่อนี้บอกว่าสิ่งที่รู้ยิ่งพระพุทธเจ้ายังไม่รู้ยิ่งสิ่งที่ควรกำหนดรู้พระพุทธเจ้ายังไม่กำหนดรู้สิ่งที่ควรละพระพุทธเจ้ายังไม่ละสิ่งที่ควรเจริญพระองค์ยังไม่เจริญสิ่งที่ควรทาให้แจ้งพระองค์ยังไม่ทาให้แจ้งไม่มีใครกล้าโจทย์แบบนี้เลยนะ เคยเคยเห็นพบไหมในพระไตรปิฎกว่ามีใครบอกท่านยังไม่รู้เรื่องนี้ไม่มีนะเพราะพระพุทธเจ้านี่เป็นสัพพันยูอย่างแท้จริงทันสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าเขามีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมีใครผู้ใดผู้หนึ่งถามปัญหาขึ้นปัญหาทั้งหมดนี่จะจบลงที่พระพุทธเจ้าเพราะถือว่าที่นั่นเป็นสิ่งที่มาตรฐานที่สุดนะเป็นตาช่างของโลกพระอรหันต์ทั้งหลายท่านยังบอกว่าตัวท่านนี่เหมือนกิ่งและใบ พระพุทธเจ้าเหมือนไม้แก่นเนี่ยนะเหมือนตัวแก่นเลยนะท่านพระอาหารหันต์ทั้งหลายยังออกตัวขนาดนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อทรงรู้ก็รู้จริงๆเมื่อเห็นก็เห็นจริงๆเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่รู้เห็นทั้งหมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละพระองค์ยังเรียกว่าเป็นสัพพันญูแต่ว่าในบรรดารู้ทุกอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยนั่งแป๊บเดียวรู้ไปหมดเลยแต่รู้แล้วทุกเหมือนเดิมเนี่ยนะเรียกว่ารู้ไหมอันนั้นบางคนเนี่ยโอ้ยรู้จริงๆรู้จนเดือดร้อน รู้จนจะป่วยให้ได้เลยนะรู้จนฟุ้งซ่านไอ้พวกนี้ก็ไม่เรียกว่ารู้จริงอ่ะนะดังนัความรู้ในที่นี้ที่เรียกว่าสัพพันยูคือรู้แล้วเน้นพิเศษคือรู้แล้วพ้นทุกุรู้แล้วดับทุกได้อันนั้นจึงเป็นความรู้ที่ที่ถูกต้องอ่ะนะเพราะความรู้นี้อยู่ในมรรคแดใช่ไหยสัมมาทิฏฐิก็เป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งเพื่อความดับทุกข์บางคนเนี่ยรู้มากแล้วฟุ้งซ่านมากเป็นต้นอันนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นความรู้อ่ะนะก็เป็น พูดแบบตรงๆภาษาธรรมะนั่นอวิชชาอาวิชชาไม่ใช่ไม่รู้อารมณ์นะมันรู้อะแต่มันรู้แบบแบบไม่รู้นะแคเรียกว่ารู้อะไรรู้แบบผิดนะนะรู้ผิดคือรู้แล้วทุกเกิดขึ้นรู้แล้วไม่สามารถที่จะดับทุก์ได้ที่ใดก็ตามเนี่ยนะถ้ามีคําว่าสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะ ยังไงก็มีแต่ที่บายอภิญญาอภินญ ย, นยปริญยยปหาตภะภาเวตภะสัจจิกาตภะเมียธิบายอยู่เท่านี้จริงจริงมันใครที่เรียนสุตามายายานมาเนี่ยนะในปฏิสัมพิธามมักก็ถือว่าได้รับประโยชน์ไม่ใช่น้อยเพราะจะได้เข้าใจถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าพราะองค์ตรัสรู้อะไรกันแน่นี่นะทีนี้ต่อไปนะขีนาสะวะปฏิญญาใช่ไหมเวสารัชยานข้อที่สอง เวสารัชยานข้อแรกก็สัมมาสัมพุท ธ, ธปฏิญญาเวสารัชยานข้อที่สองคือขีนาสะวะปฏิญญาขีนาสะวะปฏิญญาเนี่ยนะปฏิญาปฏิญาว่าตัวเองเป็นผู้สิ้นอาสะวะแล้วอันนะ ขีณนาะแปลว่าสิน้นอาสะวะก็คือเครื่องหมักดองนะปฏิยาก็คือพระองค์ปฏิญาณว่าเป็นผู้มีอาสะวะสิ้นแล้วโดยประการทั้งปวงไม่มีผู้ใดมาเอากิเลสมาโจดว่านี่นี่ท่านยังเหลือกิเลสตัวนี้นะท่านยังละไม่หมดยังเหลืออยู่ยังค้างอยู่เป็นต้นไม่มีอธิบายว่าธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าปหาตัปพระแปล ว, ว่าธรรมที่ควรละทั้งหมดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละแล้วที่ควงต้นโพนั่นเอง โดยเด็ดขาดและกิเลสเหล่านั้นไม่มีการเกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นธรรมดาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะไม่เคยมีอีกเลยกรณียกิจที่ยิ่งกว่าการละธรรมที่ควรละนั้นไม่มีเพราะสิ่งที่ควรละเนี่ยถูกละได้หมดแล้วด้วยอำนาจของอารยมรรคที่ควงไม้โพจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงละตัดขาดถอนอ น, นะละก็คือแปลว่าละอะไรนะ ก็แปลว่าจากไปแล้วใช่ไหมล่ น, นี่แปลว่าจากถ้าตัดขาดก็ประหารถ้าถอนนะก็เหมือนกัถนบถอนรากถอนโคนต้นไม้อย่างน้นะแบบไม่มีเหลือซึ่งกิเลสพัน0 0ประเภทกิเลสพันห้านะอะไรบ้างโลภโทสะโมหะวิปริตมนสิการโลภโทสะโมหะอันนี้ก็อกุศลมูลสามใช่ไหมวิปริตมรสิการคืออะไร วิปลาสนั่นแหละ ว, วิปลาสถูกละหมดแล้วอหิริกะความไม่ละอายต่อความชั่วอนุตตปะไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อผลบาปทีนัมิทะนะทีนะก็คือจิตท้อทำตัวที่ทําให้จิตท้อแท้มิทะตัวที่ทําให้เจตสิกท้อแท้ประงก็ละหมดแล้วโกทะอุปนาหะโกทะก็โกรธอุปนาหะก็ผูกโกรธมักขะก็ลบหลู่ปราสาก็ตีเสมออิศาก็คือริษยามมัฉริยตตณี มายามายานี่หลอกลวงสาไถมายาก็คือหลอกลวงไงสาไถล่ะโอ้โอวอะไรนะสาไถก็อะไรนะเรียกว่ามายาเนี่ยปกปิดความเลวสาไถยอวดคุณที่ไม่มีอยู่จริงธรรมพระถือดีสารัมพระแข่งดีมานะเย่อหยิ่งอติมานะานะดูหมิ่นคนอื่นมัทะเมาประมาทะประมาทอานะอกุศลมูลสามก็ละแล้วทูเจริญสาม วิสมะสามวิสมะคือความไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะเช่นความไม่สม่ำเสมอทางกายเป็นต้นก็ละหมดแล้วสัญญาสามก็คืออกุศลสัญญามีการมสัญญาเป็นต้นก็ถูกละไปแล้วมละสามมละคือมนทินมนทินเนี่ยนะ ส, สามอย่างก็คือราค่าโทสะโมหะก็ถูกละไปแล้วอกุศลวิตกสามกามวิตกเป็นต้นก็ละไปแล้วปปันจะเครื่องที่ขยายวตตะตัณหามานะทิฏฐิก็ละไปหมดแล้ว อเนสนาคือการสแสวงหาที่ไม่เหมาะสมการสแสวงหาผิดก็ละไปแล้วตันหาสา ม, มีการมัดตันหาเป็นต้นก็ถูกละไปแล้ววิปริเยสสี่ก็คือวิปราชสี่นี้พระองค์ก็ละหมดแล้วอาสวะเครื่องหมักดองทั้ง4ี่ก็กำจัดหมดแล้วคันทะเครื่องร้อยรัดทั้งสี่ก็กำจัดแล้วโอคะคือห่วงน้ําที่ท่วมให้จมอยู่ในวัดตะก็กำจัดออกไปหมดแล้วโยคะกิเลสประดุนดน็อตขัน ติดแน่นไว้ในวัตตาก็ไขออกหมดแล้วนะถอนเกลียวเสร็จหมดแล้วอัคติคตินี่แปลว่าไปอัคติก็คือไปแบบคดอ่ะนะไปเอียงๆไปแบบภาษาไทยเราเอาสีรางเข้าถูเขาว่าอย่างเดียวนะเพราะอัคตินี่แหละเรียกว่าถูกกําจัดออกไปภาษาไทยนิยมแปลว่าลำเอียงตันหูปาทานเนี่ยนะก็คือกิเลสเป็นเครื่องยึดถืออ่ะนะด้วยอํานาจตันหานี่ 4ประการก็คือติดในปัจจัย4นั่นแหละอภินันทนะก็ความเพลดิดเพลินยิ่ง5อย่างก็คือเพลดิดเพลินในรูปเป็นต้นนิวรหนิวรเครื่องกลางกันเจโตขีละตะปูเครื่องตึงใจ5เจโต เ, เจตโซวินิพันธะเครื่องผูกปัน เ, เครื่องผูกพันหประการวิวาทมูล6 ก, ก็คือเหตุให้ทะเละวิวาท6อนุสัยเจกิเลส ท, ที่มีกำลัง7มิชะตะข้อปฏิบัติผิด8 อาคาตะวัตุก้าก็คือวัตถุที่เป็นเหตุให้โกรธ9ประการตันหามูลากากก็คือตันหาเป็นมูลให้ทําบาปอีก9้าชนิดอกุศลกรรมบทสิบก็คือประตูนรกเป็นต้นนั่นแหละอเนสนา21ก็สแสวงหาผิดนะนะแสวงหาผิดธรมวินยัยทิฏฐิหกสก็คือมิจฉาทิฏฐิหกตันหาวิปริตร้อยแปดเป็นต้นพร้อมทั้งวาสนาความนะคือกิริยาที่สั่งสมอกุศลเหล่านี้ ในภายหลังพระองค์กาจัดไปหมดแล้วท่าะะ น, นอากุสลทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยนะใครๆไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามนุษย์จนถึงพรมก็ตามไม่สามารถจะคัดค้านพระองค์ได้โดยชอบธรรมว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้พระองค์ยังละไม่ได้นี่สมณะโคโดมท่านยังตัดความโลภไม่หมดนะท่านเนี่ยท่านยังตัดความโกรธไม่ได้เนี่ยท่านยังโมหะนะนี่ท่านยังวิปริตอยู่เป็นตัวเนี่ยไม่มีใครมาโจทย์พระองค์ได้ อันนะั้นเรียกว่าขีนาสะวัสดิญญาปฏิญาในความเป็นผู้สิน้นอาสะวะอย่างแท้จริงพระองค์จึงเป็นผู้องค์อาจเนี่ยนะไอไอเวสารัชยานเนี่ยนะเวสารชะแปลว่าตัวที่ทําให้แกล่ากล้าทะยานที่ทําให้พระองค์กล้าองค์อาจสง่าผ่าเผยโดยที่ไม่รู้สึกครั่นครลามในอะไรทั้งหมดเนี่ยคือพระองค์มีเวสารัชยานสี่เหล่านี้เมื่อมีเวสารัชยานเนี่ยทุกสิ่งรู้หมดเลย แล้วก็สิ่งที่ความเศร้าหมองคือกิเลสถูกกาจัดออกไปหมดแล้วเนี่ยแล้วท่านจะไปเกรงกลัวอะไรท่านจะไปข้ั่งคล้ามอะไรนะจึงไม่มีอะไรที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าขนพองสยองกล้าวมันผีจะหลอกทั้งคืนพระองค์ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะนี่มาดูอันตรายกธรร ม, มเทศนาก่อนนะอันตรายกธรร ม, มเทศนาแสดงถึงธรรมที่เป็นอันตรายมีอยู่ห้าประการนะ อันตรายยิกธรรมทำเนี่ยทที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลมีอยู่ห้าประการคือหนึ่งกรรมสองวิบาก3สามกิเลสสี่อุปวาทะห้ 5, อาอนาวีติกมะ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมให้ผลในลำดับอาจให้ผลตามลำดับโดยส่วนเดียวแก่ผู้ส่องเสพธรรมเหล่านั้นได้ทีเดียวเพราะใครๆจะไม่ว่าจะเป็นสมณพราห์เทวดามนุษย์ตลอดจนถึงพรหมไม่สามารถจะคัดค้านพระองค์ได้โดยชอบธรรมว่าไม่อาจทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพธรรมเหล่านั้นอธิบายว่าถ้าใครทําอนันตริยกรรมฆ่ า, าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำเลือดของพระพุทธเจ้าให้ห่อทําสังกเภท ไม่มีใครมาบอกว่านี่ไม่เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลแล้วบอกว่าไม่ให้ตกนรกทันทีเลยหรอกปฏิเสธอันนี้ไม่ใช่ฐานะไม่มีใครคัดค้านได้ในกรรมเหล่านี้กรรมคือข้าพ่อข่าแม่กรรมนี้นหมายถึงอนันตริยกรรมห้าว่าอนันตริยกรรมห้าไม่ให้ผลจริงเนี่ยนะไม่มีใครปฏิเสธได้ไม่มีใครกล้าคัดค้านว่าอนันตริยกรรมนี่จะไม่ให้ผลจริงๆ ขนาะเดียวกันผู้ที่ทําอนันตริยกรรมและบรรลุมรรคผลได้ไหมชาตินั้นนะไม่ได้นีนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเกรงว่าองค์คุลิมาจะไปฆ่าแม่ซะก่อนถ้าฆ่าแม่ในี่ชาตินั้นจบเลยใช่ไหมคือฆ่าคนครบพันเนี่ยมันไม่ได้ห้ามมรรคผลนะแต่ว่าถ้าฆ่าแม่ครั้งนั้นนี่หมดโอกาสแน่ท่านก็พระพุทธเจ้าจึงไปสงเคราะห์ก่อนที่องค์คุลิมาจะฆ่าแม่ ดังนั้นฆ่าคนเก้าร้าสิบเกคนเนี่ยไม่ใช่เครื่องกัน้นแต่ถ้าฆ่าแม่คนเดียวเนี่ยนะกั้นเลยอย่างเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูสั่งฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเลยกัน้นไม่ให้บรรลุมรรคผลแล้วคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นถึงไม่รู้ตัวนะปฏิบัติอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ปฏิบัติอย่างไรก็บรรลุมรรคผลไม่ได้ถึงรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าทําอนันตริยกรรมไปแล้วตรัสรู้ไม่ได้ชาตินั้นนะ หลังจากนั้นอีกชาติที่สองก็บรรลุไม่ได้เพราะเกิดในนรกแน่นอนชาติที่สามเป็นต้นไม่แน่และต่อไปวิบาก ค, คนที่มีวิบากเป็นเครื่องกลางั้นก็บรรลุไม่ได้เช่นเกิดเป็นอาเหตุตุกะปฏิสนธิเกิดเป็นนาคเกิดเป็นเดรฉานทั้งหลายนี่ก็บรรลุมรรคผลไม่ได้เป็นอาเหตุตุกะปฏิสนธิคือเกิดในอบายทุกติวิเนิบาดนารกเกิดในกำเนิด4ี่ประการนี้บรรลุมรรคผลไม่ได้ หรือผู้ที่ปฏิสนธิด้วยทวิเหตุทวิเหตุหมายคำว่าไม่มีปัญญาประกอบขณะเกิดขณะแรกปฏิสนธินะถ้าไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยบรรลุไม่ได้นะหลายท่านก็บอกว่าสงสัยเรานี่ทวิเหตุไม่เกิดมาไม่มีปัญญาประกอบของเราถึงปัจุลบันทกหรือ ย, ยังปัจุลบันทกท่องคาถาสองบรรทัดอยู่4เดือนยังไม่จําไม่ได้เลยนะของเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกปฏิบัติก่อนวไม่ไมบรรลุ ค, ค่อยเชื่อนะ ก็ต้องนู่นแหละเอาแค่ไหนบอกเฮือกลมเฮือกสุดท้ายนั่นแหละถ้ายังไม่บรรลุบอกใช่และยังแต่ว่าชาติหน้าบรรลุเร็วกว่าเพื่อนแน่ยังไผู้ที่บรรลุอ่านะวิบากเป็นเครื่องกั้นคือปฏิสนธิด้วยอหติตกะเช่นเกิดในอบายเป็นต้นหรือพวกบ้าใบาบอดหนวกะนะกลุ่มนั้นก็บรรลุไม่ได้แล้วก็พวกทวิเหตุคือในผวังขจิตของเขานี่มีเฉพาะอะโลภากับ อโทสะเท่านั้นถ้าขาดอโมหะก็บรรลุไม่ได้วันอันนี้เป็นวิบากเป็นเครื่องกัน้นไม่ให้บรรลุมรักผลกลุ่มต่อไปนี้กิเลสเป็นเครื่องกัน้นห้ามไม่ให้บรรลุมรักผลกิเลสที่เป็นเครื่องกัน้นห้ามให้บรรลุมรักผลคือพวกพวกนิยตามิจฉาทิฐิเป็นนิยต์เป็นมิจฉาทิฐิที่ใครก็แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็แก้ไม่ได้เช่นพวกที่ปฏิเสธว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มี ยืนยันว่าจริงผลบุญไม่มีผลบาปไม่มีปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปเรียกว่าอากิริยะอาเหตุุกะทิถิ อ, อกิริยะทิฐิแล้วก็นับทิกะทิฐิอาเหตุุกะทิถิปฏิเสธว่าในโลกนี้ทุกอย่างไม่ได้เกิดจากเหตุนะปฏิเสธเหตุหมดเลยปฏิเสธเหตุแห่งความดีปฏิเสธเหตุแห่งความชั่วว่าทุกอย่างเกิดลอยลอยมันจะ เ, เกิดมันก็เกิดเองอันนี้เรียกว่าอาเหตุุกะสองอกิริยะทิฐิ ทำอะไรก็ไม่มีผลให้ทานก็ไม่มีผลรักษาศีลก็ไม่มีผลทําอะไรไม่มีผลเหตุเกิดเลยเทุกอย่างในโลกให้เกิดลอยๆสิ่งที่ทําก็ไร้ผลปฏิเสธทั้งเหตุปฏิเสธทั้งผลสรุปว่าปฏิเสธบุญบาปโดยสิ้นเชิงปฏิเสธผลบุญบาปโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็เอวังเลยนะจบเลยบรรลุไม่ได้บรรลุเลยฟังยังไม่ฟังเลยนะจะพูดถึงอะไรบรรลุ ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปอย่างเดียวเอาชีวิตที่เหลือไปทำอะไรก็ทําแต่บาปนั่นแหละพะนันกิเลสนี้ถือว่าหยาบคายมากกิเลสที่มีกําลังขนาดเป็นมิจฉาทิฏฐิดังกล่าวไปเนี่บรรลุไม่ได้ข้อที่สี่อุปวาทะานี่สำคัญอุปวาทะแปลว่าเข้าไปว่าร้ายพระอริยะไปตําหนิดูหมิน่นดูแคลนพระอริยเจ้าเช่นว่า พระอริยะนั้นเนี่ยมีคุณธรรมแก่ความเป็นอริยะก็ปฏิเสธว่าท่านไม่มีคุณธรรมแหม่งความเป็นอริยะว่าร้ายพระอริยเจ้าหาเรื่องพระอริยเจ้ากลุ่มนี้ก็บรรลุไม่ได้เนี่ยนะอย่างสมัยพุทธกาลเป็นต้นเนี่ยก็มีไม่น้อยมีไม่น้อยที่เข้าไปว่าร้ายพระอริ ย, ยเนี่ยนะเช่นสุนัขตาฤชวีบุตรนี่ก็บอกว่าสมณะโคโดมเนยไม่มีอุตริมนุสธรรมในตัวจริงใ น, นดาบพระพุทธเจ้าเลยนะหนักมากแล้วก็บอกว่า ในบรรดาข้ออุปมาที่หนักแน่นที่สุดเนี่ยข้ออุปมาที่คนไปด่าพระพุทธเจ้านี่แหละคือสุนัขคาติชวีบุตรก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีคุณธรรมแสดงธรรมด้วยกะเอากะกะแล้วก็เอามาเทศแต่เอแปลกว่าใครทําตามนั้นบรรลุจริงแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้จริงหรอกกะเอาเฉยๆเสร็จแล้วก็ด่าโดยประการต่างๆอีกที่ด่าอย่างนั้นก็ทําด้วยความโกรธเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่า ถ้าสุนัขคตาลิชวีบุตรไม่ละคำพูดอ น, นันเนี่ยนะเที่ยงแท้ที่จะตกนรกเหมือนอะไรเหมือนผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธปิปัญญาก็กระยิ่มอรหัตตผลในปัจจุบันอันนี้ท่านบอกว่าเป็นคําอุปมาที่ลึกซึ้ง อ, อะไรนะหนักแน่นที่สุดในบรรดาคําอุปมาทั้งหลายเพราะนนั้แต่ว่าเชื่อว่าสุนัขคตาลิชวีบุตรคงไม่ขอขามาเพราะเป็นคนขี้โกรธมากและผูกเวรด้วยคนขี้โกรธและผูกเวรเนี่ยนะยากที่จะแก้ไขได้ แนะนำดีๆก็โกรธนั้นก็เรียกว่าคนผ่านหางได้ห่างเธอหางให้มันร้อยโยดพันโยดนั่นะดีที่สุดไปแล้วก็เปื้อนใช่ไหมเหมือนอะไรเหมือนกับใบไม้ที่ไปเปื้อนกับปลาเ น, น่านะกลิ่นคาวคละครุ้งไปหมดนี้มาดาูการว่าร้ายพระอริยะในบางแห่งเนี่ยพูดถึงว่ามีอยู่พระอรหานตกับพระโสดาบันไปบินทาบดาีด้วยกันสองท่านไปบินทาบดตด้วยกัน ระหว่างทางเนี่ยพระอรหันเนี่ยเป็นอาจารย์พระโสดาวันนี่เป็นลูกศิษย์ก็เดินตามอาจารย์ไปบิณทบาทนี้อาจารย์นี่เป็นโรคลมพระอรหันนี่เป็นโรคลมเพราะจะต้องดื่มข้าวต้มร้อนๆเนี่ยโรคอันนี้จึงจะระงับเพราะไปบินทบาทได้ข้าวต้มแต่เช้าบินทบาทได้ข้าวต้มแต่เช้าท่านก็ไปที่บังบังหน่อยนะท่านก็ไปนั่งยองยองแล้วท่านก็ยกข้าวต้มในบาสนี่ดื่มเลย พระโสดาบันที่เดินตามมาบอกแหมพระแก่รูปนี้ไม่รักษาหน้าเราเลยเยนะแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไปบิทฑบาต ท, ทั้งคู่ฉันไปถึงวัดพระอรหันต์ก็ถามว่าตอนนี้ท่านได้อะไรแล้ะปฏิบัติแล้วได้อะไรพระนั้นก็ตรงนะบอกว่าผมเป็นพระโสดาบันก็กท่านได้เท่านี้แหละงั้นสรุปว่าชาตินี้ท่านเป็นพระโสดาบันเท่านั้นแหละพระที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้คที่ท่านคิดเนี่ยเสียหายมาก ก็เลยขอขมาพระอรหันต์นะว่าไอความคิดอันนั้นเป็นความคิดที่ใช้ไม่ได้เพราะไปดูหมิ่นดูหมิ่นว่าฉีกหน้าตัวเองนั่นแหละเพราะมีหน้าเนาะถ้าไม่มีหน้ามันก็ไม่เดือดร้อนอะไรหรอกนี่ต่อไปนะอนาวีติกมะอนาวีติกมะอันนี้ถ้าเป็นพระพิสูุนก็คือการล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติผิดเป็นเป็นอาบัตนะมีอาบัตไม่ว่าจะเป็นอาบัตทุพาสิตอาบัตทุกกอาบัต ปฏิเทศนียะอ ბ ัตปาจิตีอบัตทุลใจอบัตสังกาธิเศตไม่ต้องพูดถึงปาราชิกะนะอบัตทุกอย่างถ้ารู้แล้วไม่แสดงคืนไม่ทําคืนะนะเป็นเครื่องห้ามไม่ให้บรรลุมรรคผลถือว่าเป็นอันตรายยกรรมข้อความในดีกาพระวินัยบอกอ้างพุทธพจน์ด้วยว่าผู้ที่มีอบัติติดตัวนั้นมีคติสองคือนรกกับเดรชาน น, น, นะนะแล้วก็โหท้าอาบัตติดตัวก็โทษหนักเท่ากับมิจฉาทิฐิเลยนะ บวแล้วถ้าบัดติดตัวนี่ก็น่าการุณามากก็พระพิสุบางรูปอย่างเช่นสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโน้นไปถอนต้นตะไคร้น้ำ น, น ะ, ะด้วยก็นึกว่ามันเล็กน้อยนะก็ถอนสรุปว่าถอนหญ้าวนะ่างั้นเถอะท่านก็ไม่ปลงอะ่ะท่านก็บอกมันเล็กน้อยอะ่ะทีนี้ตอนหลังใกล้จะตายเนี่ยนะจะไอไ อ, อ, อ, อต้นเหมือนกับแต่ต้นตะไคร้น้ํามันพันคออยู่ตลอดเวลาะนะด้วยกรรมมันนั้นตายก็เกิดเป็นทายานาค นะเกิดเป็นทญา น, นาคอายุเป็นหมื่นหมื่นปีเนี่ยนะพันก็ตอนหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรทังนั้นถ้าหากว่าไปอบายขห้พลาดไปครั้งเดียวนี่หมดเลยเนาะนะเรื่องยาวแน่มันการล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัตนินี้ถือว่าเสียหายถ้าสําหรับพระพิสุทั้งหลายที่จริงก็โทษพระพิสุอย่างเดียวก็ไม่ได้นะพร ะ, พระวินัยบางอย่างเนี่ยคารวะนั่นแหละช ว, วนให้ผิด ไม่เป็นไรแ้ครับท่านไม่เป็นไรเนี่ยไอ้ไม่เป็นไรนี่แหละนะก็เลยชวนชวนกันพากันเสียหายหกันหมดแล้วพอไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็บอกพระนี่เลวมากอแล้วใครให้ทำให้เลวล่ะเาอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละพระกับลูกชาวบ้านนั่นแหละเข้ามาบวช น, นี่มาดูต่อไปน ะ, ะเวสารัชยานข้อที่สี่คือนิยานิกธรรมมาเทศนานิยานิกระทธรรมแปลว่าแปลว่าทำที่นำออกจากทุก นิยานิโกอุปสมิโก่ะนะนิญานิโกตัวนั้นแหละคือธรรมที่นําออกจากทุกขนิยานี่ก็ธรรมอันยอดเยี่ยมคือธรรมที่ออกจากทุกที่ยอดเยี่ยมมีอรยิยมรรคเป็นตัวนํามีอยู่37ประเภทแบ่งเป็นหมวดหมวดได้เจหมวดเป็นศูนย์รวมของศีลสมาธิปัญญาอันเป็นเหตุให้สลัดออกจากวัตทุกข์ได้เด็ดขาดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนั้นย่อมนําสัตว์ออกจากทุกได้แจ้งได้จริงแท้ทีเดียว ย่อมทําผู้ปฏิบัติให้พ้นจากวัตรทุกข์ได้โดยแท้จริงนะอย่างเช่นอะไรนะสติปทานที่พระ อ, องค์ตรัสใช่ไหมตรัสว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะปริเทวะเพื่ออสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรุญญาตธรรมคือญาตธรรมคือพระนิพพานเพื่ อ, อขอไปญาตธรรมคืออรายาิยมรรตเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งทางนี้ก็คือสติปฐานส คือทางสายเดียวนะสรุปว่าสติประทานสี่สัมมัประธาน4ี่อิทิบาท4ีอินรี่ห้าพละหา้าโพชงเจ็ดอริยมัสมีองแด์ดคือทางสายเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายทีนี้ไม่มีใครกล้ามาคัดค้านว่าถ้าปฏิบัติครบถ้วนทั้ง37บเดนี่ยนะบรรลุไม่ได้ทำจนเต็มเปี่ยมเนี่ยนะทำปฏิบัติตามนี้จริงๆแล้วอ่ะ ที่บอกว่านําออกจากทุกเนี่ยไม่สามารถนําออกจากทุกขได้จริงไม่มีใครกล้าคัดค้านเนี่ยนะคือเอานี้เอาสมณะพราหมณ์เป็นต้นเอาที่เป็นบัณฑิตนะเอาคนทานเป็นประมาณไม่ได้เอาอย่างคล้ายๆกับอะไรนะเอาคนตาบอดมาวิจารณ์สีได้ไหมไม่ได้เอาหูหนวกมาวิจารณ์เสียงไม่ได้เอาคนจมูกเสียเนี่ยมาวิจารณ์กลิ่นเอาจระเข้มาวิจารณ์ ร, ร, รถเอาคนเป็นอมมาเพลิกมาวิจารณ์โพธิภะไม่ได้ เอาคนนอนหลับมาวิจารณ์เรื่องเร า, เายิงหมดสิทธ์เลยนะสะรุปว่าเอาผู้มีปัญญาเป็นเป็นเครื่องวัดอย่างเดียวว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายไม่ปฏิเสธหรอกว่าธรรมะทั้ง37นี้ไม่สามารถนําออกจากทุกได้เพราะโพธิปัจจะธรรมที่ประชุมพร้อมตรัสรู้พระนิพพานแล้วนําออกจากทุกจริงๆ น, นะเป็นธรรมะที่พระองค์เอามาแสดงมาตรัสไม่ผิดพลาดโดยประการทั้งปวง ท่นจึงไม่มีใครคัดค้านได้ดังที่พระองค์ตรัสไว้ในเวสารชัชเวสาลัชายานหรือเวสารัชสูตรเนี่ยนะเวสารัชายานสี่เหล่านี้ดังว่ามานี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปโดยอาการไม่ผิดแพกหมายความว่าถูกต้องเชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะรู้ความพิเศษของญาณนะคือปหานเทศนาของพระองค์นี้ไม่ผิด เวสารัชยานทั้งสี่คือยานที่ทำให้พระพุทธเจ้าแ ก, กล้าเนี่ยนะก็คือ 1. สัมมาสัมพุทธปฏิยาคือปฏิญญาในความเป็นผู้ตรัสรู้โดยถูกต้องสองปหานะคือขีนาสวะปฏิญญาละอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นเชิงสอันตรายยึธรรมมเทศนาว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นอันตรายต่อการพ้นทุกมันเป็นอันตรายจริงๆและก็สุดท้ายคือทำที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้น เป็นธรรมเพื่อออกจากทุกข์จริงๆเนี่ยนะเป็นนิยานิกระทำเป็นธรรมที่นําออกจากสังสารทุกข์ได้จริงเพราะฉะนั้นความรู้ทั้ง4ประการเนี่ยนะเป็นความจริงเป็นความแท้แล้วเวสารัชยานทั้ง4ี่นี่แหละทำให้พระองค์นี่องอาจกล้าหาญสง่าผ่าเผยเพรา ะ, ะไม่ครันครั่มในเหตุการณ์ใดๆในอารมณ์ใดๆณสถานที่ใดๆเนี่ยนะก็อย่างว่านะใครที่ไม่รู้จริงนี่ก็เครียดเหมือนกันนะใช่ไหม ให้เราไปพูดในสิ่งที่เราไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นเกิดมานี่ไม่เคยไปเลยอะไรนะออฟริกาอย่างเงี้ยนะบอกให้แล้วไม่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับออฟริกาเพื่อบรรยายเรื่องออฟริกาหน่อยไม่ไดอไ้อะไรจะเกิดขึ้นมันจะเครียดตายเลยนะนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าไอคนไม่รู้นี่เครียดแต่พระพุทธเจ้าอะไรที่ไม่รู้ไม่มีบางทีคนรู้แต่ว่าตราบาบติดตัวตั้งเยอะแยะบางทีมันก็ครั่นคล้ามใช่ไหมเพราะมีความเลวติดตัวมาประวัติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่รู้ว่าแต่ว่าเลวอ่ะนะก็ก็ขันข้นคำอีกกลัวคนอื่นเขาจะสกัดจุดอ่อนเหล่านั้นบางพว้เอกก็พความไม่รู้หรือกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเหตุให้คนเนี่ยว่นเกรงส่วนอสองประการเนี่ยนะก็คือ อ, อันตรายกรรทมเทศนากับนิยานิกรรมเทศนาเนี่ยอันนี้เป็นวิสัยของ พระพุทธเจ้าพระองค์นี้จะรู้ว่าอะไรเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลแล้วข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุมรรคผลเนี่ยปฏิบัติอย่างไรทีนี้ต่อไปคติมี5คตินี้แปลว่าที่ไปะนะที่ไปอ่ะนะมีห้าอย่างนะที่ไปมีอะไรบ้างนิรยะคติที่ไปคือนรกสองติระชานคติที่ไปคือพวกขวางไปแบบของขวางไม่เหมือนมนุษย์เนี่ยมนุษย์ไม่ขวางนะมันเดินขึ้นตรงๆงเลยมันไม่ขวาง แต่เดรัฉาเนี่ยมันไปแบบขวางขวางไปขวางแล้วก็เปรตตะคติเนี่ยนะก็คือผู้ที่ละไปแล้วคือพวกเปรตมนุสตะคติคือมนุษย์และเทวคติคือเทวดานิรยะคติคืออะไรข้อแรกก่อนนะมหานรกมีแปดขมสัญชวีวานรกกาลสุตตะนรกสันตาปะนรกโลรุวานรกมหาโลรุวานรกจนถึงอเวจีนรกเป็นต้นแล้วนรกเหล่านั้นมหานรก8ดมีอุสุธาณรกเป็นบริวารอีกอ สมมติว่าเขามีแห่งและสี่ทิศ น, นะอุสทานรกมีอยู่สี่ทิศทิศละสี่ขุมก็เลยเป็นสิบหกใช่ไหมมีกุกุละนรกเป็นต้นก็นรกเกี่ยวกับอะไรเท่ารึงนรกน้ำเวตรณีนรกที่มีใบเป็นหอกเป็นดาบเป็นน้ำกรดเป็นต้นนะนะก็อย่าไปเลยอันนั้นก็แถวนั้นนะ่ะ นรกเนี่ยแปดขุมแล้วก็มีบริวารอีกแล้วก็ยังมีไอ้บริวารเศษย่อยๆอีกนะข้าณับรวมๆกันแล้วก็หลายร้อยขุมด้วยกันแล้วก็ในนรกเหล่านั้นบางแห่งบอกว่ายัดเยียดเหมือนกับผงแป้งหรือทนานดีบุกนะนะมันเอะอะยัดเยียดแต่ว่ามันก็รับได้อีกเยอะแยะเลยในนรกก็ยังแบ่งเป็นนรกเย็นอีกคือโลกันตนรกเนี่ยอยู่ระหว่างจักรวาลรวมทั้งหมดนี่เรียกว่านรกเพราะอัตถาว่าไม่มีความแช่มชื่น เดือดร้อนอย่างเดียวโดยภาวะที่เป็นทุกข์อย่างแท้จริงนะทุกข์มากเลยนะนรกมาเรียกว่าเหมือนอย่างว่าถ้าถ้าเปรียบเทียบความทุกข์ในนรกเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่ามีนักโทษคนหนึ่งเป็นคนที่ทําความผิดต่อพระราชานไพวกทหารเป็นต้นก็จับมาเฝ้าพระราชาบอกว่าไอ้คนเนี้ย มันทําผิดต่อพระองค์ขอให้พระองค์เนี่ยลงโทษตามที่พระองค์ประสงค์เถิดพระเจ้าค่ะเอามาเลยเอามาเอาหอกไปทิมมั น, นเนี่ยเช้าหนึ่งร้อยครั้งทิมครบร้อยครั้งแล้วกลางวันก็ถามเป็นยังไงนักโทษคนนั้นบอกยังไม่ตายพระเจ้าค่ะเอาไปอีกทิมกลางวันอีกร้อยครั้งอนะนะเย็นๆก็ถามอีกเป็นยังไงนักโทษคนนั้นบอกยังพระเจ้าค่ะบอกเอาไปทิมอีกร้อยครั้งถูกหอกทิมวันละสามร้อยครั้งเนี่ยนะถามว่าเขาจะเจ็บไหมเจ็บไหมยอมว่าเจ็บไหม อุยถูกเข็มแทงอันเดียวยังเจ็บเลยนะเข็มฉีดยาเนี่ยเข็มใหญ่ๆหนะ่อยก็เจ็บแล้วเขาบอกว่าเหมือนอย่างว่าแผ่นหินเท่าฝ่ามือเนี่ยนะแผ่นหินเท่าฝ่ามือกับภูเขาหิมมวันอะ่ะอันไหนจะใหญ่กว่ากันไหนใหญ่กว่าเว้ยเที่ยวกับภูเขามันจะแผ่นหินเท่าฝ่ามือกันนิดเดียวใช่ไหมก็ บ, บอกว่านั่นแหละไอ้ทุกในนรกที่เราเอามาพูดเนี่ยมันก็เหมือนกับ ถูกหอกทิ่มมาละสามร้อครั้งอะ่ะมันถ้าอุปมามันก็เหมือนกับเนี่ยแผ่นหินเท่าฝ่ามือนี่แหละแต่ทุกในนรกเนี่ยมีมากกว่าเหมือนกับภูเขาหินมะมวันเนยเนะนั้นถ้าใครพลาดไปแล้วก็เดือดร้อนแน่แล้วไปร้องขออุทธรจากใครที่นั่นนะนี่ได้โปรดเธอได้โปรดเธอเนี่ยร้องขอยมพบาลยมพบาลก็ท่านนารายณ์ยมภบาลก็เป็นกลุ่มเปรดอีกเหมือนกันเนี่ยนะนายเนริยบาลจะสงสารบ้างไหม นายเนียาบาลจะสงสารบ้างไหมไม่นีะไม่พื่พนร้ายก ร, รุณางง้นลงเรืองทําบุญหนีให้สุดๆเลยนะั่งเรองติดเทโบเลยนะหนีให้นรอดให้จิตเป็นกุศลอย่างเดียวจริงกับไปรอด <c oughs> แล้วก็ที่นรกเนี่ยทุกทุกจริงๆเลยแหละชื่อว่าคติเพราะอันสัต์พึงไปตามยะถากรรมคติเนี่ยไปตามกรรมอ่ะนะ พันธก็ตามสมควรกับเหตุเหตุเช่นใดก็ให้ผลเช่นนั้นตัวที่ห้ามนรกได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะเอาห้ามจริงๆเลยก็คือโสดาปฏิมาต์แต่ถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะที่จะห้ามได้ก็เซนทานศีนภาวนาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็ห้ามได้ชั่วคราวเนี่ยนะแต่ถ้าปฏิบัติจนถึงโสดาปฏิมาต์ก็ห้ามได้อย่างถาวรทีนี้พูดถึงโลกันตนรกอีกน้อยอหนึ่งอีกหนึ่งว่า เย็นที่สุดเลยนะมืดที่สุดแล้วก็เย็นที่สุดเขาบอกว่าน้ำที่รองรับเนี่ยเป็นน้ำกรดเนี่ยนะแล้วก็เป็นน้ำกรดที่เย็นยะเยือกถ้าจมลงไปก็สลายทันทีเลยแล้วก็ไม่ตายด้วยนะไม่ตายง่ายๆก็อยู่อายุอายุยืนมากเลยพวกนี้อายุเป็นล้านล้านปีน่นะพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มนรกเหมือนกัน พระพุทธเจ้ารู้ว่านรกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีอยู่กี่แห่งกี่ที่มีกี่ตำแหน่งแต่ละอย่างเนี่ยเสวยทุกแค่ไหนนานอย่างไรอย่างพระเทวทัตเนี่ยนะเขาบอกว่าพระเทวทัตอยู่ในห้องคล้ายๆกับห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยแต่ห้องอันนั้นเนี่ยใหญ่เป็นพันกิโลแล้วห้องใหญ่เป็นพันกิโลเนี่ยเหล็กเท่าต้นตาเนี่ยเสียบตรึงจนขยับตัวไม่ได้แล้วก็ไฟเนี่ยพุ่งมาจากทิศข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างพุ่งเข้ามาหาใส่ตัวแบบอะไรอะที่เขาพ่นแก๊สอ่ะนะอะไรนะ ออกซิเจนกับแก๊สมันผสมกันแล้วตัดเหล็กะนะไฟมันพุ่งแบบนั้นแหละแต่ก็ไม่ตายเนี่ยนะเขอยู่อีกนานพระเทวทัตเนี่ยตกนรกเป็นกลับนะอยู่นานเป็นกลับเลยเพราะเพราะว่าสังฆเภทเนี่ยหนักมากแล้วก็ทําเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อด้วยแนะนําให้พระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพ์พิสารผู้เป็นพระอริยะด้วยโอ้ทำผิดหลายคดีมากแต่ละอย่างนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย และก็อย่างพระเจ้าชาติศัตรูเขายังช่วนะฮะทำสังขยนาฆ่าพ่อก็จริงแต่ว่าด้วยบุญที่เป็นเจ้าภาพอุปธรรมสังขยนาอุปธรรมพระพระอาหารหันต์สมัยนั้นเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยช่วยเหลือมากที่สุดเนี่ยนะอันนั้นท่านตกนรกแค่ห0 0 0ืปีเองเจชาติศัตรูนี่ตกแค่ 60,000 ปีนะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าไปฆ่าคนตายมาแล้วให้ไปขนทรายสามหม้อเสร็จแล้วอย่างไงนะ คือหมายความว่าโทษที่พระเจ้าอาชาติศัตรูทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะฆ่าพระเจ้าพิมพิสารผู้ทำมิกราชอ่ะพระเจ้าพิมพิสา ร, มม ร, าราานี่เป็นพระราชาปกครองบ้านเมืองโดยธรรมด้วยแล้วก็เป็นพระโสดาบันด้วยเป็นอุปถากที่ที่ดีของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ฆ่าท่านถือว่าเป็นอาทยากรรมที่ใหญ่มากแต่ว่าแก้ด้วยอะไรนะเหมือนกับว่าไปตักน้ำมาสักสามขันนะแก้แกันเรีย ก, ก, ก ว, ว่าเล็กน้อยมากนะท่านตกนรกแค่ห0 0 0ืปีนี่ถือว่าเล็กน้อยมาก นะพวกนี้ก็ไปตามยถากรรมนะตามสมควรแก่เจตนาบอกว่าในโลกนี้ทาอะไรมันน่ากลัวที่สุดนรกมันไม่น่ากลัวเท่าเจตนาของเราหรอกเจตนาที่เป็นเหตุฆ่าสัตว์รักทรัพย์เป็นต้นไหนเจตนาเนี่ยมันเลวร้ายที่สุดเนี่ยนะเพราะเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ในนรกถ้าเจตนาเลวๆแบบนี้ไม่มีนรกไม่มีรอกนะถ้าเราไม่ทําชั่วเนี่ยนะเขาไม่ไม่ไมเข้าคุกไหมไม่ได้ไม่เข้าอยู่แล้วเพราะมันอยู่ที่ความชั่วเป็นเหตุใช่ไหม นี่มาดูเดราชานบัง่งเดราชานก็พวกอะไรนอนนอนนอนกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอ่ะนะแมลงงูนกสุนักบ้านอันนัสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นชื่อว่าเดราชาญทําไมจึงเรียกว่าเดราชานเพราะไปตามขวางคติคือเดราชาญเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเดราชาญแลคติพวกนี้ไปตามขวางเดราชาญ น, นี่เขาแบ่งเป็นกี่กลุ่ม2กลุ่มก่อนนะสัตว์บกกับสัตว์น้ํา สัตว์น้ํานี่มีอะไรบ้างปลากลมเกลือน้ํากึื่อบกก็กบเต่าเป็นต้นสัตว์น้ํากับสัตว์บกไหนมากกว่ากันเดระเนี่สัตว์น้ํามากกว่าเพราะโลกเนี่ยนะเป็นน้ำซะส่วนใหญ่แล้วก็แม้กระทั่งบนบกก็ยังเออบนบนผิวโลกก็ยังมีน้ําอีกเยอะแยะเท่นทะเลสาบเป็นต้นน้ําสัตว์น้ํานี่เยอะมากบอกว่าสัตว์น้ํากับสัตว์บกนะสัตว์น้ามากกว่าแล้วสัตว์บกเนี่ยตัวเล็กกับตัวใหญ่ไหนมากกว่ากันตัวเล็กๆมากกว่าเป็นต้น อันถ้าไปเดราชาน่ยจะไปยังไงเนะไปเป็นนอนเหมือนอะไรนะพระราชินีพระนางอะไรนะอุปรีใช่ไหมเป็นพระเหศรีของพระราชาอยู่ดีๆไปเกิดเป็นนอนกระดึบ๊บกระตามนอนอีกตัวหนึ่ง น, นะฤาษีก็ถามว่าเธอไม่คิดถึงสามีของเธอบ้างเลยหรือที่นั่นนะ่ะเขาคิดถึงเธอมากรู้ไหมนี่ไม่ยอมกินอะไรเลยบอกไม่คิดถึงหรอกอ น, นะถ้าได้สามีมาเธอจะทำยังไงก็จะเอาเลือดในลําคอมาให้นอนข้างหน้านี่แหละของมัน มันก็ถ้าไปอาบายแล้วจะไปทําอะไรได้นะไปเดรฉ า, านแล้วก็ลําบากแล้วหรืออะไรนะเหมือนมเหสีเอ่ออะไรนะพระยาของเท้าสักกะเอ่อพระยามาฆะมานพชื่อนางสุชาดาไปเกิดเป็นอะไรนะไปเกิดเป็นนกกระยางเลยนะเกิดเป็นนกกระยางเอ๊นึกเอ่อแถวไหนนะนกกระยางนี่เยอะจริงๆเออที่ศรีลังกาศรีลังกานี่นกกระยางเยอะมากเลยเหมนถ้าไปเป็นอาบายแล้วก็ลําบากแล้วเนี่ยนะ ต้นเหตุของนรกกระเด็นฉานคืออะไรนะตัวหลักๆจริงๆก็มิจฉาทิฐินั่นแหละเป็นปัจจัยทุศีลด้วยเป็นมิจฉาทิฐิด้วยเนี่ยนะสองอย่างนี้น่ากลัวที่สุดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในโลกนี้คือความทุศีลกับมิจฉาทิฐิเนี่ยนะทุศีนหรือมิจฉาทิฐินี่เลวร้ายจริงๆเพราะฉะนั้นพยายามสำรวจตรวจตราว่าเรานี้ทุศีลอะไรไหมเราทั้งหลายเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิข้อใดบ้างไหมตรวจตราเถอะถ้าชำระได้ก็ชำระอย่าอนุรักษ์นิยมเลย อย่าเอาแบบพระเจ้าปายาสกเนี่ยนะเจ้าปายาเสิเนี่ยเขาบอกอุย้ยใครก็รู้ว่าข้าพเจ้ามีทิฏฐิแบบนี้ข้าพเจ้าจะละง่ายๆได้ยังไงเนี่ยนะก็ะเหมือนอย่างว่าคนที่เคยแบกคูดมานานใครมาบอกว่าเป็นคูดคูดบอกอุย้ยข้าพเจ้าแบกมานานแล้วทิ้งไม่ได้หรอกนั้นมิช้าทิฏฐิท่านบอกว่ามันเยี่ยงคูดนั่นแหละทิ้งได้ก็ทิ้งไปเถอดอนุรักษ์มไว้ทําไมไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอะไรหรอกต่อไปเปรตบ้างนะเปรตชื่อว่าเปรตพวก ปรทัทตุปชีวิเปรตแปลว่าเปรตที่รอรับส่วนบุญรอรับส่วนกุศลจะได้กินต่อเมื่อญาติทั้งหลายทําบุญอุทิศไปให้เท่านั้นแหละเขาเรียกว่าปรทัทตุปชีวิเปรตส่วนนิชามะตันหิกะเปรตก็คือเปรตพวกกลุ่มอดอยากหิวโหยอ่ะนะหิวตลอดปากเท่ารูเข็มท้องเท่าภูเขาเป็นต้นเะนี่ยมันจะไปอิ่มได้อย่างไง กลุ่มเปรตเหล่านี้เป็นต้นเพราะเป็นผู้มีความหิวความกระหายครอบงำก็มีอย่างเปรตอยู่เปรตตัวหนึ่งะนะที่ตัวใหญ่มากอยู่ใกล้ๆ ก, กับแม่น้ําคงคาเขาได้ยินเสียงน้ําไหลแต่พาวิ่งลงไปแล้วกลายเป็นทรายที่ร้อนระอุมหมดน้ได้ยินน้ําเนี่ยได้ยินเสียงแหละแต่ว่าดื่มไม่ได้กินไม่ได้อ่ะ อดอยากหิวโหยมีอยู่วันหนึ่งพระพิสุประมาณ30รูปไปห่มผ้าบนนึกว่าเป็นแผ่นหินใช่ไหมได้นั้นะได้ไปยืนห่มผ้าบนหลังเปรตเสร็จแล้วก็เปรตก็ขยับตัวพระพิสุอา้าวนี่แล้วก็พูดได้ด้วยเขาบอกข้าพเจ้าเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมานานแล้วหิวน้ําเหลือเกินก็บอกอา้าวทำไมไม่ดื่มน้ำบอกข้าพเจ้าดื่มไม่ได้พระพิสุก็เลยเอาบาดเนี่ยบาดเนี่ยก็บาดใบใหญ่เหมือนกันนะไปตักน้ําแล้วมาเทใส่ปาก เทใส่ปากเนี่ยนะเทตั้งแต่เช้ามืดจนสว่างก็บอกโยอมได้เวลาบินธบาตแล้วเป็นยังไงอิ่มม้างไหมก็บอกถ้าหากว่ามันเข้าไปสู่ปากข้าพเจ้าแม้แต่หยดเดียวขอข้าพเจ้าอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ต้องพ้นแล้วจากเปรตมันไม่ได้เพราะมันอยู่ด้วยกรรมจริงๆนะไปด้วยกรรมมันก็อดอยากหิวโหยมากภาษารีบทีน่นี้เคยทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่เมื่อสามชาติที่แล้วนะแม่ไม่ใช่แม่ชาติที่แล้วนะแม่เมื่อสามชาติที่แล้วก็ไปเกิดเป็นเปรต นะพันธุ์ก็ขนาดอดีตแม่ของภาษาริบทก็ยังเคยเป็นเปรตเป็นต้นพันถ้าเป็นเปรตแล้วลําบากอดอยากหิวโหยก็รอแต่ญาติทั้งหลายเนี่ยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ขณะเดียวกันเนี่ยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตเนี่ยต้องทํากับผู้มีศีลจึงจักสําเร็จประโยชน์เนี่ยนะเป็นอุบาสกก็ได้นะอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นก็ได้ขอให้เป็นผู้มีศีลแต่ถ้าเป็นผู้ไม่มีศีลเนี่ยนะในเปรตเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าพวก คนทูศีลเนี่ยปล้นเข้าไปกินหมดแล้วเปรตเดือดร้อนเลยนะอนุโมทนาไม่ลงหังกันนี่ต่อไปพวกอสูรเนี่ยนะอสูรมีกาละกาลกันชิกะสูรเป็นต้นก็รวมอยู่ลงในเปรตเหมือนกันส่วนมนุษย์มนุษย์นี่มีอยู่สชวิตอนะีทวีปชาวชมพูทวีปและมหาทวีปทั้งสกับทวีปเล็กๆชื่อว่ามนุษย์มนุษย์ตรงนี้หมแปลเฉพาะเลยนะผู้มีใจสูงสูงด้วยกุศลกรรมบดใช่ห ถ้าไม่มีกุศลกรรมบดก็จะต่างอะไรจากสัตว์ในอาบายก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกฉะนั้นมูผู้มีใจสูงในที่นี้หมายถึงผู้รักษากุศลกรรมบดเสรบนั่นเองเพราะฉะนั้นคติคือที่ไปคือมนุษย์เรียกว่ามนุษย์คติพัน ท, ที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เพราะเป็นผลของกุศลกรรมบดนะจึงทําให้เกิดเป็นมนุษย์ส่วนหมูเทพยี่สิบหกชั้นเหล่านี้ก็จ่าตูมดาวดึงยามาเป็นต้นเนี่ยนะก็อะไรนะ เทวดา6ชั้นก่อนเนะทวดา6ชั้นรูปประพรม16ชั้นอรูปประพรมมีสีชั้นเนี่ยนะบวกสเป็น20สบวกเออเทวดาอีกชั้นก็เลยเป็นทั้งหมดนะั้นตั้งแต่จาตุมไปจนถึงเนวะสัญญานาสัญญายยตนาเรียกว่าเทพเทพชื่อว่าเทพหรือเทวเนี่ยนะเพราะเล่นสนุกสนานโชคช ช, ช่วงด้วยอนุภาพ ฤตของตนเนี่ยนะก็คือด้วยบุญฤตอ่ะนะก็คนมีบุญคนมีบุญเนี่ยไอยสัตว์ที่มีบุญเทพที่มีบุญเนี่ยมีความสุขมากก็ทําอะไรได้อย่างที่ตัวเองต้องการนะนะทำเพลินตามที่ตัวเองต้องการจนหมดบุญอนะ่ะนะเทวดานี่ส่วนหนึ่งก็เราว่าโอ้โหเพลินในผลบุญจนหมดบุญเนี่ยนะรู้ตัวอีกทีก็โน่นอ่ะเกือบตายแล้วอย่างเงี้ยพันพวกนี้ก็อยู่ด้วยความเพลดิดเพลินแล้วก็อยู่ด้วยความสนุกก็เลยเรียกว่าเทพเทพเ ท, พทวคติ อาณาที่ไปคือเทวดาเหล่านั้นจึงชื่อว่าเทวคติคติเหล่านั้นนี่เอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเออนี่อบายนี่นริยคตินี่ติระฉานคตินี่เปตคตินี่มนุสคตินี่เทวคติเอาอะไรเป็นเครื่องวัดสมมุติถ้าหากว่าอย่างของเราทั้งหลายนั่งอยู่นี่ใช่ไหมเห็บมันก็กัดหมัดมันก็กวนในท้องก็มีตัวตืดตั้งหลายตัวอย่างนี้สมมติ น, นะเออมันคติไหนกันแน่ คติไหนเป็นคติไหนไอคตินี่เอาอะไรเป็นเครื่องวัดก่อนท่านบอกว่าคติเหล่านั้นเพราะเหตุที่ความวิเศษแห่งอุบัติภพอันเกิดแต่กรรมเหล่านั้นเหล่านั้นเมื่อว่าโดยอัตถะไอคติคือวิบากและกรรมชรูปวิบากขันและกรรมชรูปจึงเรียกว่าคติเช่นอย่างสมมุติว่าอย่างในในร่างกายของเรามีพยาธิอยู่ด้วยอย่างเงี้ย มีไข่พญาติอยู่ด้วยอใครพญาติที่เป็นพญาติวิบากกรรมชรูปของพญาติเป็นอบายภูมิวิบากกรรมชรูปของมนุษย์เป็นมนุษย์สภูมิเขาเรียกว่าวัดที่วิบากและกรรมชรูปเนีย่ยนะนี่มันก็ปนปนกันอยู่ไงนะอย่างสมมติบางท่านก็ถามเอบ้านเรานี่มันภูมิไหนกันแนะ่เดราชานก็อยู่บางทีเปรตก็อยู่มนุษย์ก็อยู่ เทวดาก็อยู่เนี่ยนะมันใครกันแน่เนี่ยนะเอาอะไรก็เขาไม่เอาตัวตัวอาคารบ้านเรือนหรอกเขาเอาตัววิบากและกรรมชรูปเป็นหลักนะเน้นวิบากกรรมมชรูปเป็นหลักในคติเหล่านั้นพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมเป็นไปโดยฐานะโดยเหตุด้วยการกำหนดวิภาคเหตุและผลอันเกิดจากเหตุตามฐานะของตนพระองค์นี้รู้หมดเลยว่า คตินี้ย่อมเกิดจากกรรมชื่อนี้นะนรกขุมนี้มาจากกรรมชื่อนี้เหตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหล่านี้มาจากกรรมเหล่านี้เหล่านี้นะรู้ได้หมดเลยเรียกว่ามองเห็นปภาพรู้แล้วกรรมอะไรนํามากรรมอะไรนําเกิดเนี่ยนะเห็นสัตว์นรกก็อย่างถึงกรรมที่ทําให้เกิดในนรกหมด เห็นเดรชานทั้งหลายก็ย้อนไปหากรรมได้หมดเลยเห็นเปรตทั้งหลายก็ย้อนไปหากรรมได้หมดเลยเห็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยย้อนไปหากรรมที่ทําให้เขาเกิดเป็นมนุษย์ได้หมดเลยแม้กระทั่งเห็นเทวดาทั้งหลายเห็นพรหมทั้งหลายก็ย้อนไปหากรรมได้ขณะเดียวกันเนี่ยเห็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายกระทําอยู่นี้ชี้ได้เลยว่าเขาจกเสวยกรรมอะไรต่อไปว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เขาทำเนี่ยพบต่อไปควรจะเป็นอะไร พระ อ, องค์ก็รู้อย่างแจ้งชัดอย่างละเอียดทะลุโ ป, ปร่ปปรงหมดทัานมูสัตว์เนี่ยแต ะ, ะแล้วเกิดแต่ละแหง่งแต่ละแห่งเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรว่าทําไมบางพวกได้ดีตกยากมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์ทรามสเสวยสุขสเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดนะัพบนั้นนั้นเป็นตน้นอันนี้พระองค์จําแนกแจกแจงได้อย่างละเอียดเพราะพระองค์รู้สิ่งเหล่านี้ด้วยประการทั้งปวงท่านพระองค์ ตัสบอกพระสารีบุตรว่าสารีบุตรคติมีอยู่หอั น, นที่ไปที่เกิดนี่ห้าอย่างคือนรกกัมเนศดิรชานเปรติวิสัยมนุษย์และเทวดาสารีบุตรเรารู้ชัดนรกคือสภาวะของนรกสภาพของนรกนรกี่ขุมเป็นต้นเนี่ยนะรู้ชัดหมดเลยและทางอันเป็นเหตุนําไปสู่นรกข้อปฏิบัติอันเป็นเหตุนําไปสู่นรกเรารู้ชัดโดยประการที่ผู้ดําเนินไปแล้ว ทำตัวแบบนี้นะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาดนรกนนะรู้ชัดหมดเลยเปรตอสุรกายเดรัจฉานทั้งหมดก็เหมือนกั น, นนะมาว่ามองเหมือนอะไรนะเหมือนกับผู้ใหญ่บางคนเนี่ยพอเห็นหน้าเด็กคนนี้ปั๊บพยากรณ์ได้เลยว่าอนาคตของเด็กคนนี้ต่อไปคืออะไรคล้ายๆกับพวกพวกอะไรนะพวกดูลักษณะดูรูปร่างดูกิริยาดูอะไรเนี่ยพยากรณ์ได้เลยว่าอนาคตต่อไปคืออะไรอย่างนีน้พระพุทธเจ้านี่แทงตลอดว่านั้นเป็นพันล้านเท่าเนยนะ องค์รู้แม้กระทั่งเห็นแค่คิดถึงเนี่ยรู้เลยว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเนื่องด้วยอาวัชนะเท่านั้น น, นะนะพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะตรัสถึงความเป็นไปแห่งอาการอันไม่ผิดแผลในวิสัยคืออารมณ์นั้นๆไม่ให้คลาดเคลื่อนเรีย่ว่ารู้แจ้งแทงตลอดและการรู้เหล่านั้นอ่ะไม่ผิดไม่พลาดแม้แต่ปลายขนสายเนี่ยนะไม่มีผิดด้วยนะย่าง เขามีอย <tunnels> <otiation Gotcha rer> ู่เร <nach> <suc benefits> ื่องหนึ <dont> ่งมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปบินทบาทพระเจ้าสุปปพุทธเนี่ยพระเจ้าสุภพุทธเนี่ยตําแหน่งนี้เป็นลุงของพระพุทธเจ้านะเป็นลุงแล้วก็เป็นพ่อของพระนางพิมพาพ่อของพระเทวทัตเป็นตาของปราหุนทีนี้พระเจ้าสุปปพุทธเนี่ยนะก็โกรธพระพุทธเจ้ามากเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเลวมากใช่ไม่ได้ก็คดีที่หนึ่ง เอาลูกสาวเราไปแล้วก็ทิ้งให้เป็นไม้เนี่ยนะบวชหนีไปสองลูกชายเราไปบวชอยู่ด้วยก็ผูกเวรกับลูกชายตั้งตัวเป็นศัตรูเป็นลูกชายของเราเพราะฉะนั้นความผิดเหล่านี้ใหญ่หลวงนักก็เลยผูกแค้นจะหาเรื่องกับที่จริงก็หลานตัวเองกันแหละลูกเคยด้วยหลานด้วยนะแต่ว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันสิงเข้ามามันก็ไม่ยอมให้อภัยอะไรก็เลยแค้นพระพุทธเจ้าคิดหาเรื่องจะทํำยังไงดีนะ มีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าไปบินทบาทแถวเมืองโกริยะนี่แหละเออได้โอกาสและได้การแล้วก็เลยรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเดินบินทบาตซ อ, อยนี้ตั้งโต๊ะสุราขวางทางเลยนะตั้งโต๊ะสุราขวางทางดื่มเหล้าแอบอย่านั้นแหละมหาดเล็กก็บอกพระพุทธเจ้าเสด็จแล้วพระเจ้าขาบอกช่างอะไรอย่างนี้ไม่ยอมเนี่ยนะปิดทางบินทบาทพระพุทธเจ้ า, นะ า, า, พ, ร พ, จาพระองค์ก็เดินมาใกล้ๆแล้วพรองก็ยิ้มพาหนนก็ถามมายิ้มอะไรบอกว่าอีก7วันเนี่ยพระเจ้าสุปปัตถุเนี่ยจะถูกแผ่นดินสูบ จะถูกแผ่นดินเนี่ยสูบแล้วก็ตายไปเกิดในเวจีนรกบอกด้วยนะว่าวันที่เจ็ดจากนี้ไปอีกเจ็ดวันทีนี้พระเจ้าสุปาผู้ทาก็บอกมหาเล็กนะดูที่ที่สมณะโคดมนะหลานของเราพูดอะไรเมื่อกี้ก็บอกพูดอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าค่าบอกขำเลยก็บอกว่าก่อนหนะ้านี้มานะหลานของเราพูดอะไรถูกหมดแต่วันนี้ไม่ถูกแน่เพราะอะไรเพราะบอกนี่นะถ้าท่านไม่กําหนดเวลานะอาจจะอาจจะไม่ผิด แต่นี่กําหนดเวลาบอกวันที่เจ็แผ่นดินสูกมันจะเป็นไปได้ยังไงเราก็หนีไปอยู่บนบ้านสิหนีไปอยู่บนปราสาทเพราะฉะนั้นครบวันที่เจ็ยังไงแผ่นดินก็ไม่สูบ ก, ก็เลยก็เลยวางแผนเลยก็ขึ้นบ้านอันนะขึ้นปราสาทขึ้นตึกเจชั้นตัดบันไดทิ้งให้หมดแล้วก็ให้คนที่เป็นคนตัวใหญ่ๆบึกๆเนี่ยไปยืนที่ประตูว่าห้ามห้ามอย่าให้พระเจ้าสุภ ป, ปุษธลงในวันที่เจ็ดเด็ดขาดนะห้ามลงมาที่ข้างล่าง เนี่ยก็แลก็มีความสุขนั่งยิ้มโอ้ยยังไงง า, งานนี้สบา ย, ยและวผ่านทีนี้พอถึงวันที่เจ็ดพระเจา้าพระราชาคนเนี้ยเขามีม้าอยู่ตัวหนึ่งเป็นม้ามงคลม้าเนี่ยเป็นม้าพยศคนที่เอาอยู่ได้นี่คือพระราชาคนเดียวนี่มันพยศมากๆเข้าอะวันที่เจ็มันก็พยศเต็มที่เลยก็เลยลืมเรื่องที่หลานพยากรว่าตัวเองจะตกนรกเพราะรักม้าตัวนี้มาก นนะก็เลยคิดถึงมา้าจะไปดูม้าสนอยไอ้คนที่จับให้เฝ้าประตูเนี่ยนะแทนที่มันจะห้ามใช่ไหมมันช่วยผลักกันลง น, นะช่วยผลักผลักผักผั ก, ก, กตกไปถึงดินก็แผ่นดินก็แยกใช่ไหมก็ตกโน่นนรกนะพันพระองค์ก็พูดพระองค์ตรัสเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละเนี่ยนะถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าสาบแช่งใช่ไหมบอกไม่ใช่เจตนากำที่ทำเนี่ย น, นะเพราะเจตนาที่เป็นบาปนี่แหละกลับมาประทุสร้ายตัวเอง เพราะในโลกนี้สุขทุกเนี่ยใครทำให้นะสุขทุกทั้งหลายเป็นเป็นเหตุนะนะปเออขออภัยเป็นผลผลก็ไหลามาจากเหตุบาปนี่อยู่ที่ผู้ใดาบาปพ่อแม่ทำแทนได้ไหมบุญพ่อแม่เป็นต้นทำให้ได้ไหมกุศลอกุศลเนี่ยเป็นของเฉพาะตัวจริจรงๆแต่เว้นไว้แต่ว่าทำกรรมมาคล้ายๆกันเนี่ยนะทกรรมมาคล้ายๆกัน พระพุทธเจ้านี่รู้รู้จริงๆนะว่าทำอะไรแล้วให้ผลเป็นอย่างไรอย่างไรหลายคนเขาบอกว่าพวกสายตาสั้นเนี่ยเขาจะมองชีวิตแค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนเนี่ยนะว่เอ๊ะบางคนเขาทำบาปกันทำไมผลบาปไม่ให้ผลสักทีหนึง่งไปแช่งเขาอยู่นั่นแหละกลัวบาปไม่ให้ผลนะนะไปแช่งเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้สมวยผลบาปไม่ต้องหนักใจหรอกเนี่ยนะเขาอีกไม่นานสักเท่าไหร่อย่าคิดนะว่าบาปจะลืม เพราะฉะนั้นเวลากรรมมันให้ผลเนี่ยนะว่ามันตามทันที่ใดมันก็เล่นงานที่นั่นเหมือนบาปแต่ละอย่างที่เราทําไปก็เหมือนกับปล่อยศัตรูนั่นแหละปล่อยคู่เวรปล่อยศัตรูให้ติดตามเราอ่ะนะ เ, เหมือนกับว่าผูกเวรกั น, นแล้วบอกบอกกับศัตรูบอกว่าแกเจอฉันที่ไหนแกเล่นงานฉันได้เต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจอะ น, นะก็แล้วสร้างความเจ็บแค้นให้ศัตรูมากที่สุดถามว่าอะไรจะจะเลวร้ายเท่านั้นอีกแล้วใช่ไหมนี่ไม่ได้มีศัตรูคนเดียวห น, น, นิถ้าศัตรูเยอะแยะแล้วปล่อยให้ศัตรูติดตามเราเนี่ย และถ้าเจอการบอกแกไม่ต้องปราณีโดยประการทั้งปวงเจอแล้วก็ตีได้เลยเขียยได้เลยตัดหัวได้เลยเป็นต้นพ่านก็เนี่ยสงครามปีนี้เนี่ยก็ถลอกปอกเปิกตายกันไม่ใช่น้อยเพราะศัตรูมันตามทันใช่ไหมบาปมันตามให้ผลทันเนี่ยเหตุใกล้ที่ทําให้บาปเหล่านี้ให้ผลก็ประโยค้าวิบัติดื่มสุราเป็นต้นเหตุไกลเนี่ยถ้าเขาไม่ทําอกุศลไว้ในอดีตยังไงวิบากเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะวิบากเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นมีอยู่เจ้าหนึ่งนะ ทะเลาะกันทั้งคืนดื่มเหล้าแล้วทะเลาะกันแล้วก็ขับรถชวนคนไปตายเป็นคันเลยนั่นก็มันเลวร้ายขนาดนี้แล้วนั้นเวลากรรมให้ผลเนี่ยก็หลั่งน้ําตากันเนี่ยเสียใจกันมากนะทาอะไรได้อนะเนาะนี่มันเป็นผลเส็จแล้วนะแต่ว่าตอนที่ทําเหตุนี่ก็ไม่ค่อยกลัวเหตุสัตว์ทั้งหลายกลัวผลแห่งกรรมแต่ไม่ได้กลัวตัวกรรมจริงๆแล้วตัวที่เลวร้ายที่สุดก็คือตัวกรรมพระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวทุกข ท่านอย่าทำชั่วนะนะแต่อย่าทำอกุศลเลยเพราะถ้าทําอกุศลทําความชั่วนะก่อให้เหาะนี้เลยนํเอาให้เหาะเลยใช้ให้เหาะเลยท่านก็ไม่พ้นไปจากความทุกข์เนี่ยนะก็ขนาดเหาะนีนะเด็กขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันร้องสนันกันหมดเลยนะขนาดจะจะเหาะเะหน่อนะขึ้นเครื่องไปเลยนะแต่ความกดของอากาศมันเปลี่ยนไปใช่ห้ร้องมันสนันไปหมดเลยนั่นก็เทวทูตน้อยๆมาเตือนทีนี้ต่อไปนะว่า พระพุทธเจ้ายังมีอินทริยะปโปรปริยัตยานอินทริยะปโปรปริยัตยานแปลภาษาไทยไทยว่ายานที่รู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายอันนะียิ่งกับหย่อนนี่แปลว่าไงยิ่งก็คือเยอะอ่ะ น, นะหย่อนก็คือน้อยที่เป็นไปโดยอาการห้าสิบเนี่ยนะอันเป็นเหตุแจ่มแจ้งโดยพิเศษแห่งความที่สัตว์นี่มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อย สัตว์ที่มีกิเลสดุดทุลีในดวงตามากก็คือใครที่ไม่มีอินทรี่ห้าคือไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะขาดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าคนมีกิเลสในดวงตามากเป็นคนไม่มีศรัทธาเนี่ยนะก็กิเลสมากใช่ไหมมีกิเลสดุดทุลีในดวงตามากคนไม่มีวิริยะคนไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเรียกว่าคนมีกิเลสดุดทุลีในดวงตามาก ส่วนผู้ใดมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าผู้มีกิเลสดุดทุลีในดวงตาน้อยหรือคนที่ขาดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าอาการชั่วอาการไม่ดีเลยแต่คนที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าอาการดีเป็นต้นเนี่ยนะก็ลักษณะนี้เรียกว่าสรุปว่าใครที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ เป็นผู้ที่ได้ดีผู้ที่ขาดศรัทธาเป็นต้นเรียกว่าพวกอนาคตตกยากแน่พระองค์เนี่ยแยกแยะศรัทธาเนี่ยนะแยกคุณภาพของศรัทธาแยกคุณภาพของวิริยะสติสมาธิปัญญาผู้นี้ยิ่งผู้นี้ย่อนอันนะผู้นี้จะเกิดศรัทธาเป็นต้นได้โดยประการอย่างใดๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าพระองค์มีอินทรียปโรปริยตญาณอันนี้เป็นอสสาธารณญาณข้อที่หนึ่ง มีได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่รู้นะว่าอินทรีย์ของผู้ใดเป็นอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะเป็นความสามารถของพระพุทธเจ้าพอพระองค์รู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์เนี่ยพระองค์รู้ด้วยว่าจะต้องแสดงธรรมประเภทไหนแสดงธรรมอะไรเขาจึงจักตรัสรู้ได้เขาจึงจกัจงจกบรรลุได้นี่ต่อไปอาสานุส ย, ยานอันนี้เป็นอาสาธารณนัยานข้อที่สอง อาสันุสยายานของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปโดยอาการแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงแห่งอาสยะอาสยะก็บางทีตรงนี้เรียกว่าความประสงค์ก็ได้เรียกว่าอัธยาศัยก็ได้อาสยะหมายถึงอัธยาศัยนั่นแหละของเราสัตว์เป็นต้นว่าบุคคลนี้มีกิเลสดุจธุรีในดวงตาน้อยบุคคลนี้มีกิเลสดุจธุรีในดวงตามากคนกลุ่มนี้เป็นสัสตทิฐิคนกลุ่มนี้เป็น อุเฉททิธิบุคคลกลุ่มนี้มีอนุโลมขันติยานคือมีวิปาาัสนาญาณนะพระ อ, องค์แยกออกเลยว่าคนนี้เป็นมิจฉาทิธิบุคคลนี้เป็นสัมมาทิธิบุคคลนี้เป็นมิจฉาทิฐิแบบอุเฉททิฐิบุคคลกลุ่มนี้เป็นสัสตทิธิหรือบุคคลเนี่ยตั้งอยู่ในยถาภูตยานเป็นคนที่รู้เห็นตามความเป็นจริงสามารถบรรลุได้หรือบุคคลนี้เนี่ยอัธยาสัยน้อมไปมากๆในเรื่องกาม ไม่สนใจเรื่องเนคขมมะอีคนนี้เอาแต่เนคขมมะไม่เอาเรื่องกามหรืออีคนนี้เป็นคนขี้โกรธไรเมตตาอีคนนี้มีเมตตาไม่โกรธเป็นต้นเนี่ยนะอีคนนี้นิ่งก็เป็นหลับเลยอีคนนี้ก็ชอบหลับอีคนนี้ก็ไม่ชอบหลับเป็นต้นเนี่ยพวกเราะจะแยกออกหมดเลยโดยนายเป็นต้นว่าการมาราคะของบุคคล น, นี้มีกําลังรุนแรงแต่ไม่มีปฏิฆะหมกมุ่นในกามแต่ไม่ขี้โกรธบางคนเนี่ยขี้โกรธแต่ไม่หมกมุ่นในการอย่างเงี้ย บางคนเนี่ยทั้งหมกมุ่นในกามด้วยขี้โกรธ ด, ด้วย น, นะนคนทั้งไม่โกรธและไม่หมกมุ่นในกามเนี่ยพระองค์มองปั๊บรู้หมดเลยว่าอัธยาศัยเขาเป็นอย่างไรหรือบางทีรู้ด้วยนะว่าคนนี้เนี่ยปุญญาพิสังขารเนี่ยยิ่งเขาไม่ชอบทำบาปแล้วก็ไม่เอ า, อารูปฌานเขาชอบเจริญกุศลไอคนนี้เอาแต่อกุศลอย่างเดียวเลยกุศลเป็นต้นไม่สนใจ ไอคนนี้เอาแต่อเนียนชาพิสังขารก็คือแยกได้เลยนะแยกเจตนายิบเกอ่ะแต่ละคนเนี่ยมากไปด้วยเจตนาชนิดใดในเจตนา29หรือบุคคลเนี่ยชอบทำเฉพาะกายสุจริเรศวจีสุจริเรมโนสุจิเรศไม่เอาบางคนนี้เอาแต่วจีสุจิเรศบางคนนี้เอาแต่มโนสุจิเรศเป็นต้นนะนะมันแยกแยะในลักษณะของสุจริเรศทุจิเรศเนี่ยที่แตกต่างกันบุคคลนี้มีอัธยาศัยเลว แล้วก็ชอบคบแต่คนเลวบุคคลนี้อัธยาศัยดีชอบคบแต่คนดีเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็จำแนกหมดจำแนกแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดกลุ่มคนสังคมสิ่งแวดล้อมรู้หมดเลยแล้วบุกรู้ด้วยว่าบุคคลนี้เนี่ยทำกรรมมากกรร ม, มาวรมีเครื่องเครื่องกางกั้นคือกรรมเพราะทํำมันตริยกรรมมาบุคคลนี้มีกิเลสาวรมีเครื่องกางกั้นคือกิเลสกรร ม, มาว่ลากั้นรรมวรมีเคั้นต้องแปลว่าเครื่องกางกั้นคนะื เครื่องกลางกั้นคือกรรมเครื่องกลางกั้นคือกิเลสบางคนนี่มีเครื่องกลางกั้นคือวิบากหรือบุคคลนี้ไม่มีเครื่องกั้นคือกรรมวิบากกิเลสเป็นต้นคนนี้บรรลุได้บุคคลนี้บรรลุไม่ได้เพระองค์นี้จำแนกได้หมดเลยดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าตถาคตย่อมรู้อาสยะคืออัธยาศัยย่อมรู้อนุสัยคือกิเลสที่มีกําลังรู้ชัดจริตไม่ว่าจะจริตราคะจริญเป็นต้นหรือแบบใดย่อมรู้อธิมุตคือ อัธยาศัยว่าเขาชอบคบคนกลุ่มใดย่อมรู้ว่าบุคคลนี้เป็นพระพ菩萨บรรลุได้คนนี้เป็นอภัส菩萨บรรลุไม่ได้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าอาศยานุสย า, ยานเป็นอาสาธารณัยาณข้อที่สองเนี่ยนะ อ, อินรดยะโปรปริยติยานกับอาศยานุสย า, ยานเนี่ยนะบางแห่งเขาใช้ศัพท์ว่าพุทธจักษุเนี่ยนะพุทธจักษุคือดวงตาของพระพุทธเจ้า สองประการนี่แหละที่ทำให้พระองค์พิเศษกว่าพระทั่วไปหรือบุคคลทั่วไปที่สามารถวินิจฉัยว่าสงเคราะห์เข้าได้หรือไม่สอนเข้าได้หรือไม่เขาพอจะบรรลุได้หรือไม่หรือบรรลุไม่ได้ถ้าบรรลุได้บรรลุด้วยคำสอนประเภทใดเป็นต้นเนี่ยนะนัทั้งทั้งสองประการดังที่กล่าวไปคืออินเดียปรโปริยติยานกับอาสยานุส ย, ยานเรียกว่าพุทธจักษุดวงตาของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทําให้พระองค์สา ม, มารถ ส, ส่งเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนยศัตว์ทั้งหลายได้ส่วนยมกะปาติหารยาิยะยานเป็นต้นก็คงเป็นตอนบ่ายนะเชิญผ่อนัอนนะั้นก็ตอนนี้ก็เรียนพุทธคุณประเภทอาสาธารณยานอันนะั้นเป็นยานที่ไม่สาธารณะต่ อ, อบุคคลทั้งหลายเชิญผ่อนัอนนี้ก็11บเอมงแลนะ้ว